เดี๋ยวเราศึกษาสนทนาธรรมะในภาคบ่ายวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิเจ็ดวันพฤหัสยสบเจปีห <c oughs> 1หนึ่งเด็กกัญญาเนะี่ยเอาละแต่นี้จะพูดถึงในเรื่องการทำงาน เพราะผู้พันเจียบเรียกผู้พันเกียบปารพบอยากจะทำงานที่ทำงานอย่างไรจะให้งานนั้นประสานกับความสุขใช่ไหมไอ้ตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนทุกๆคนทีนี้เวลาพูดถึงในเรื่องงานเนี่ย เวลาเราทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะสังเกตดูว่ายากหลือเกินที่เราจะทํางานแล้วมันจะเชื่อมประสานกับความสุขมันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์คละเค้ากันในการดําเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติผิดหรือเราจะปฏิบัติถูกถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีตัวศีลที่ในองค์มรรคคาว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะ สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากทุจริตสใช่ไหมสัมมาการกรรมตะเขแปลว่าการทําการงานชอบที่เว้นจากการยทุจริตสสัมมาชีวะ น, นี่การเลี้ยงชีพชอบนีที่เว้นจากกายร ย, ยัทุจริตสาวจีทุจริตสนี่ที่เกี่ยวกับอาชีพนะ ท, ที่เกี่ยวกับอาชีพ ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติงานจะทำให้เกิดความสุขแต่ถ้าปฏิบัติงานแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เป็นความเครียดความกลุ่มหลักการมันก็คือว่าวเวลาเราทํางานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างการเป็นทหารนี่แหละก็เป็นงานชนิดหนึ่งใช่ไหมก็เป็นกรรมชนิดหนึ่ง มีเจ็ดจำนวนความจงใจตั้งใจที่จะเป็นเป็นครูเป็นทหารเป็นตํารวจทีนี้ถามว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยงานงานของการเป็นทหารเนี่ยคืออะไรนะใช่ไหมจุดหมายเป้าหมายหลักของการเป็นทหารเนี่ยคืออะไรอยู่ที่อะไรล อ, องว่ามาทิ ร อ, อ, ก, อ ก, การสร้างความมัน่นคงการป้องกันใช่ไหมทีนี้ไอตัวตัวการเป็นทหารก็คือป้องกันป้องกันแล้วก็ด้านความมัน่นคงเพื่อให้ประเทศชาตินั้นได้รับความสงบสุขสมัยโบราณก็จะบอกว่าทหารเป็นรั้วของชาติ <c oughs> ใช่ไหมเป็นรั้วของชาติ เอาทํา อ, อย่างนี้ก็คือว่าจุดหมายก็คือป้องกันเพื่อต้องการให้อนาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขหรือประชาชนเนี่อยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนนัน เ, เป็นจุดหมายทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าในระหว่างที่เราไปทํางานเนี่ยแม้แต่ยกอย่างทหารอาจจะกว้างไปนิดอายกหมอที่ว่าอาชีพหมอถาว่าการเป็นหมอเนี่ยจุดหมายคือ รักษาพยาบาลเพื่อให้กระแสชีวิตของคนไข้ทั้งหลายเนี่ยเขาหายจากความป่วยหายจากความทุกข์หายแต่ความเดือดร้อนทุกกายไอ้มปจุดหมายหลักใช่ั้ยเหตุก็คือการให้ยาการแนะนำแล้วก็การดูแลรักษาคือเหตุให้ยาก็ดีผ่าตัดก็ดีอะไรก็ว่ากันไปผลก็คือว่าโรคภัยแค่เจ็บนั้นหายหลักการนี้เหตุกับผลต้องตรงกันแบบนี้ แต่ถ้าบอกว่าเหตุคือการรักษาผลคือเงินเออมันมันมันเนี่ยหมายเหตุผลมาเริ่มเพียนไปอย่างเงี้ยเหมือนกรณีที่เราไปรับย้างเขาตัดหญ้าเนี่ยเหตุคือการตัดหญ้าไปถากไปถางผลก็คือพื้นที่นั้นสะอาดเนี่ยมันจะต้องตรงกันนี้โดยธรรมชาติเป็นแบบนี้แต่ส่วนไอ้ค่าตอบแทนเนี่ย ที่เรียกว่าเป็นเงินเดือนเงินประจำวันอันนั้นเี็นผลผลอยได้มันไม่ใช่จุดหมายหลักมันเป็นจุดหมายรองแต่มนุษย์เราเนี่ยมันเพี้ยนเรื่องเหตุกับผลตัวนี้แหละถ้าเหตุคือการเป็นหมอไปรักษาดูแลกระแสชีวิตของคนป่วยเพื่อจะทำให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่เรากรักษาโรคทจริงไม่ได้รักษาโรคหรอกบบัดบาบัดโรค บาบัดนั้นให้โรคนั้นพ้นไปใช่ไหมไมันจะรักษาให้โรคนั้นอยู่แต่เราเรียกกันสั้นๆก็เรียกลักษาโรคทีนี้ mm hmm. เหตุก็คือการให้ยาเหตุก็คือการผ่าตาดัดเหตุก็การคือการให้ดูแลสุขภาพอย่างไรผลก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็หายไปนี่เหตุกับผลมันต้องอย่างนี้ทีนี้ถ้าคนเนี่ยไปเพี้ยนกับเรื่องของจุดหมายรองจุดหมายหลักถ้าไปบอกว่า เหตุคือการรักษาผลคือเงินมันก็ยุ่งเลยแต่เนี้ยกลายเป็นว่าเงินมันกลายเป็นจุดหมายหลักแต่การหาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจุดหมายรองยุ่งแล้วแต่นี้งานนี้ยุ่งนี่แหละประเด็นมันเป็นลักษณะแบบนี้แหละฉะนั้นการเหมือนการทําสวนเหมือนกันการปลูกต้นไม้ใช่ไหมล่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีผลเกิดขึ้น2 อ, อย่างเหมือนกันเหมือนการรักษาโรคเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีผลสองอย่างแล้วอันดับแรกก็คือเมื่อรักษาให้คนไข้คนป่วยเขาได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นจุดเป็นผลอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอก็ะเดกได้ค่าตอบแทนได้ค่าดูแลได้ค่ารักษาเป็นจุดหมาย2 อ, อย่างไหมมันเลยมีผลสองผลหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพราะให้เหตุปัจจัยที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บก็หาย มันการปลูกต้นไม้การดูแลสวนพอเอาต้นไม้ไปปลูกใช่ไหมล่ะให้ปุ๋ยรดน้ําพอดินต้นไม้ก็เจริญงอกงามอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎความจริงเอาละกฎมนุษย์คือกติกาข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าคุณปลูกต้นไม้ตรงนี้ทําสวนตรงนี้เจริญรอกงามคุณเอาค่าตอบแทนไปหรือกฎมนุษย์ของหมอคือว่ารักษาแบบนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ารักษาค่าผ่าตัดเท่าไร่ค่าหมอเท่าไรค่ายาเท่าไรทัหลายเหล่านี้เป็นต้น อันนี้เป็นกฎมนุษย์เป็นกติกาเป็นกฎสังคมพอมองเห็นนี่ยังกรณีนี้เป็นทหารกนธรรมชาติก็คือคนเป็นทหารในการปกปักรักษาดูแลบ้านเมืองไม่โจรผู้ร้ายทั้งหลายเข้ามาลุกล้านอาณาประเทศทำให้ประเทศนั้นทำให้ประชาชนที่อยู่ประเทศนั้นเกนน<ะ>ิดความสุขใจและมั่นใจ ในการที่มีรั้วของชาติในการปกครองอันนี้มันจุดหมายและเราก็ทําหน้าที่ในการปกครองได้อย่างเต็มที่ด้วยอันนี้มันเรียกจุดหมายหลักส่วนจุดหมายจะเป็นกฎเกณฑ์กติกาเป็นกฎของมนุษย์ก็คือกติกาบอกว่าคุณเป็นทหารยศอะไรยศพลทหารใช่ไหมหรือใน10บะบางวั10ตีสิโท10บเอกร้อตีร้อโทร้อเอกพันตีพันโทพันเอกพลตีพลโทพลเอกก็เลว่าไปคุณคงกองกําลังไงอันนั้นเป็น กติกานี่เป็นกฎสมมติตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าคุณควรจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเป็นกฎสังคมเป็นกฎมนุษย์เป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันทีนี้ถ้ามนุษย์เพี้ยนมันเพี้ยนก็หมายความว่าไอ้คนที่เป็นหมอเนี่ยมุ่งไปที่ผลคือค่าตอบแทนคนที่เป็น ค, ร, ค, นคนนรูมุ่งผลไปที่ค่าตอบแทนคนที่เป็นทหารมุ่งผลไปที่ค่าตอบแทน คนที่ทำสวนมุ่งผลไปที่ค่าตอบแทนแต่ไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติเช่นว่าไม่เข้าใจกฎธรรมชาติไม่สนใจกฎธรรมชาติว่าต้นไม้ต้องเจริญเติบโตงอกงามอย่างไรการรักษาสุขภาพร่างกายของอาณาประชาชนจะดีอย่างไรหรือว่าประเทศชาตินั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรไม่สนใจอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนนักศึกษาจะได้ความรู้ความเข้าใจอย่างไรไม่สนใจแต่ไปนสนใจเรือให้ความสําคัญกับกฎมนุษย์ กดกติกาแล้วก็ละเลยกฎธรรมชาติเนี่ยปัญหามันตามมาตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นว่างานก็ไม่ได้ผลคนมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ตรงไหนว่าโอ้โหทำงานไปใจมันก็จ้องว่าเมื่อไหร่มันจะได้ค่าตอบแทนเพราะว่าค่าตอบแทนบางทีเดือนหนึ่งมันได้ครั้งหนึ่งนี่ยี่สิบวันครั้งหนึ่งยี่้าวันครั้งหนึ่งกติกากฎเกณฑ์เนี่ยกว่าจะได้ยังไก็ต้องจ้องรออยู่นั่นแหละมันก็ทําด้วย จิตเป็นทุกข์มองเห็นได้ยังจิตก็เป็นทุกข์จิตก็ทรมานเมื่อไรเนอะจะสิ้นเดือนเมื่อไรเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเวลาทํางานไปก็เครียดก็กุ้มเพราะมันไม่ได้ไปอยู่ที่กฎธรรมชาติไม่ต้องการในกฎธรรมชาติเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกงามไปตามเหตุปัจจัยแล้วแต่ต้องการได้กฎสมมุติกติกาข้อตกลงนั้นมองเห็นไหมเหมือนคนทําสวนเนี่ยไม่ใส่ใจแล้วลอก็ ทำสักแต่ว่าทําทําแบบสังกตายทําแบบทุกทําแบบเครียดทําแบบกลุ่มครูก็สอนแบบสังกตายสอนแบบเครียดสอนแบบทุกสอนแบบกลุ่มหมอก็สอนแบบหน้าดำขั้มเครียดอรักษาแบบหน้าดำขั้มเครียดทุกขทรมานเพราะไม่เลาะคนป่วยก็ไม่ได้ไปไม่ได้รับผลการรักษาอย่างเต็มที่ต้นไม้ก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นักเรียนก็ไม่รู้มีความรู้ความเข้าใจเต็มที่ประเทศชาติก็ไม่ได้ดูการดูแลป้องกันอย่างเต็มที่ เพราะอะไรเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่นั้นๆเนี่ยไปสนใจในเรื่องของกฎของมนุษย์กฎสมมุติมากกว่ากฎธรรมชาติแล้วเห็นหรือยังเห็นไหมผู้พันเห็นไหมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามนุษย์หรือบุคคลใดเนี่ย สามารถดำเนินชีวิตให้ตรงกับกฎของธรรมชาติได้คือต้องการผลที่มันตรงกับเขตที่แท้จริงเขาก็จะทำงานอย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์เขาก็ทำงานอย่างมีความสุขเมื่อเขาเห็นกฎของธรรมชาติเนี่ยเนื้มันจเจริญเติบโตเช่นเวลาเราจะสอนแนะนานักเรียนนักศึกษานักเรียนก็มีความรู้มีความเข้าใจ ในวิชาการที่เรียนมีความชาญฉลาดโอ้เนี่ยให้เหตุปัจจัยในการที่ทําให้มนุษย์นั้นๆมีข้อมูลมีความรู้มีวิทยาการอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถในขณะเดียวกันเราเห็นผลเห็นการเจริญเติบโตต ร, ตรงนั้นเนี่ยนะมันมันชื่นใจเพราะเราต้องการพัฒนาไอ้ผลเราให้ความสําคัญกับไอ้ผลธรรมชาติเนี่ยมากกว่าผลโดยอ้อมผลโดยตรงหรือจดหมายโดยตรงแบบเนี้ยโอ้มันก็ทุ่มเทมันทําทุกขั้นตอนมีความสุข ยิ่งผู้สอนค้นคว้าได้ทั้งทักษะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งศักยภาพได้ทั้งความสามารถได้ทั้งวิธีการในการจีเนะนําผู้ฟังก็โอ้โหได้ข้อมูลความรู้เต็มที่จากได้ครูอาจารย์ที่ดีในการที่ไปค้นคว้าวิชาการนั้นนั้นมาทุ่มเทเพื่อจะให้เต็มที่โอ้โหมันก็เลยเจริญเงงานมันก็ได้ผลคนก็เป็นสุขใช่ไหมละ่ะเหมือนการปลูกต้นไม้อ่ะขับเน้นไปโอ้โหพอปลูกเข้าไปให้ปุ๋ยลดน้ําฝนดินต้นไม้มันจเจริญเติบโตใหญ่เลยอ่ะออกดอกออกผลเป็นที่น่าชื่นใจ งานไม่ได้ผลคนมันเป็นสุขที่นี้พอไม่ได้ค่าตอบแทนมันก็เลยเป็นสุขซ้ำสองเออยมันกลับสุขใหญ่เลยว่าโอ้เนี่ยเพราะเราทุ่มเทกันในเรื่องนี้เราก็ไม่มีเวลาในการที่จะไปทําอาชีพยอย่างอื่นหรือหานั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นกติกาที่แรกจริงๆเป็นแบบนี้ในเมื่อคุณมีศักยภาพมีคุณมีความสามารถในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นคุณทําให้เต็มที่นะส่วนกติกาข้อตกลงร่วมกันคือแบบนี้แบบนี้โอเคไหมตกลงไหม อ่ะตกลงร่วมกันอันนี้เขาจะโกหกสมมุติแต่คุณมีหน้าที่ในการทํากลนธรรมชาติเนี่ยให้มันเจริญเติบโตเป็นไปตามเหตุปัใจจัยให้ชัดเจนตามกําลังความรู้ความสามารถคุณนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็ชัดเลยใช่ไหมโอ้ทุกคนก็ทําแล้วก็มีความเข้าใจในการที่จะพัฒนาธรรมชาติถ้าดูแลธรรมชาติคือต้นไม้ก็ต้องการให้ธรรมชาติคือต้นไม้เจริญเติบโตถ้าดูแลธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องการให้มนุษย์นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าต้องการให้มนุษย์นั้นมีความรู้มีความเข้าใจในวิชาการใดๆก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และถูกต้องดีงามถ้าต้องการจะป้องกันอรีร่าศัตรูเพื่อจะไม่ให้บเบียดเบียนประเทศชาตินั้น <c oughs> ก็ทําหน้าที่ในการเป็นทหารในการดูแลคุ้มครองประเทศชาตินั้นอย่างแท้จริงเหตุกับผลอย่างนี้มันตรงกันก็จะกดธรรมชาติเขาจะยังเริ่มมองเห็นไหมธรรมะอยู่ตรงไหนอ่าแต่เนี้ยธรรมะอยู่ตรงไหน ธรรมะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มันดำเนินไปตามถูกต้องตามกฎธรรมชาติมันทาให้ได้ตามนว่าธรรมะตัวจริงๆมันก็มาถ้าใครพลาดตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นคนที่อยู่อย่างผิดธรรมชาติใช่ไหมผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติก็คือหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือผิดธรรมะ แล้วมันก็เกิดปัญหาแน่นอนเหมือนการไปขายของใช่ไหมโดยธรรมชาติคือเราขายอะไรสมมติขายอาหารที่เราขายอาหารเราต้องการให้อาหารเพื่อให้มนุษย์ได้มีคุณภาพชีวิตมันดีถ้ามันขับเน้นตรงนี้นะเช่น มนุษย์ต้องการอาหารคือข้าวมนุษย์ต้องการอาหารคือน้ำมนุษย์ต้องการอาหารคือยามนุษย์ต้องการอาหารคือวิตามินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาในการจะทําอาหารว่าเออเราต้องการในคุณภาพของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเขาได้คุณภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงคุณภาพชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างไร้โรคเขาจะได้มีอายุยืนเพราะ พอเราจะขายอาหารอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องการนําเสนออาหารแบบนี้ขึ้นมาโอ้โหทีนี้ยกฎธรรมชาติก็คือเราจะปรุงแต่งสารอาหารให้สารอาหารนั่นอย่างไรที่จะทําอาหารประเภทนี้ขึ้นไปแล้วนอกจากมีคุณภาพดีมีรสชาติที่เลิศเป็นต้นแล้วเนี่ยมนุษย์ได้กินได้ดื่มได้เคี้ยวเดี่ยมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่กระแสชีวิตของมนุษย์ไปปรุงตับเอ่ยไตยเอ่ยปอดเอ่ยม้ามเอ่ยหัวใจเอ่ยเนี่ยตลอดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้เอเย็นกระดูกของ ของสัตว์เหล่านั้นนี่มีร่างกายที่แข็งแรงมีคุณภาพทีวิตตีดีออยุยิญญาณยาวอันนี้มันเรียกว่าธรรมชาติอันนี้เป็นจุดหมายหลักจุดหมายรองคืออะไรก็กติการาคาราคาไงอ่ากำหนดเท่าไหร่เนี่ยชิ้นนี้60บาทชุดนี้50บาทชุด น, นี้ชิ้นนี้ร้อยบาทอันนี้เป็นกฎสมมุติเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นบอกชั้นตั้งแบบนี้อีกคนนึงก็ยินยอมโอเคเห็นตามนั้นฉันยอมที่จะซื้อสิ่งนี้ พอดูจากสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็เลยมีความสุขจากการที่เราได้ให้สิ่งที่ดีแก่มนุษย์แล้วก็มนุษย์ได้สิ่งที่ดีส่วนเราก็ต้องทุ่มเทในการมาทำงานในด้านนี้มันก็จะต้องมีค่าตอบแทนเป็นกฎเกณฑ์กติก า, เ ป, กกาเป็นข้อตกลงแล้วก็เลยได้ค่าตอบแทนตกลงลงมาทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยตัวธรรมะมันอยู่ตรงไหนดี ธรรมะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่เรามีเกตจจำงมีความจงใจที่ดีตั้งใจดี 2. มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจผลิตสิ่งของที่ดีแล้วเพื่อไปเกื้อกูลแก่กระแสชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันเราเอาธรรมชาติคือที่เรียกว่าอาหารเนี่ยเพื่อไปเกื้อกูลแก่ธรรมชาติที่เรียกว่ากระแสชีวิตของมนุษย์ให้มนุษย์ได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้สิ่งที่ดีได้สิ่งที่เลิศ ส่วนกฎสมมุติมันกินได้ที่ไหนเงินเนี่ยแต่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันโอเคร้อยบาทสองร้อยบาทว่ากันไปอันเนี้ยมองเห็นไหมมันก็เลยได้สุขสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็กระทำให้ธรรมชาติคือกระแสะชีวิตของมนุษย์เจริญแล้วก็แข็งแรงดีงามเลิศชั้นที่สองก็คือได้ค่าได้ค่าตอบแทนไ ด, ได้ได้กฎสมมติได้กติกาได้ข้อตกลงร่วมกันถึงนั้นมีความสุขแบนี้ไหม อย่างนี้อย่างนี้สังคมเจริญไหมชีวิตของมนุษ์เจริญนะสภาพจิตใจเป็นยังไงทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ที่จะมาได้รับสารอาหารนั้นโอ้หเขาก็มีความสุขเขาก็ได้สิ่งของที่ดีเขาไปบารุงกระแสะชีวิตเขาและในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้สิ่งของที่ดีไปบารุงกระแสะชีวิตเขาแล้วเขาก็ได้ให้ค่าตอบแทน ตามความเหน็ดเหนื่อยตามพละงกาลังตามการทุ่มเทในการเรานั้นที่ทุ่มเทในการผลิตธรรมชาติที่เหมาะสมแก่กระแสชีวิตเขาโอเคไหเท่าแบบเนี้นี่ยมนุษย์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้แหละทีนี้งานมันได้ผลเลยตัวนี้ยงานมันได้ผลมันมันจุดหมายคือมันทําให้กระแสชีวิตของมนุษย์แข็งแรงมีความสุขมีอายุยืนอยู่อย่างไร้โรคได้เลยเนี่ยร่างกายแข็งแรงอายุยืนมันก็ตรงหลักเลยทัวนี้ ที่ไอเจตนาของเราเลยเจตนาที่เป็นกุศลเป็นเจตนาที่ดีมันเจตนาที่คิดจะให้ให้ความให้ให้เขามีความสุขให้เขามีอายุยืนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมันเป็นจิตคิดจะให้เลยนะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะมารับสิ่งของเหล่านี้ก็เหมือนกันเขาก็มีเจตนาที่จะให้เราเหมือนกันคุณจะได้มีสิ่งเหล่านี้ไปไปแลกของอย่างอื่นมาเพราะคุณทุ่มเททําตรงนี้เต็มที่เลย ต่อไปคุณจะได้มีเงินมีทองตรงนี้นอกจากเอาไปผลิตของที่ดีออกมาไม่พอคุณจะได้ดูมีเสื้อผ้าไปหาเสื้อผ้ามานุ่งห่ ม, มยังมีความสุขมีที่อยู่อย่างมีความสุขไปเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ตายญาติยายที่คุณจะต้องรับผิดชอบให้ดีอยู่ดีมีความสุขยังไงก็ว่ากันไปมันก็เลยเป็นลักษณะการเชื่อมประสานงานมันก็ได้ผลคนที่อยู่ร่วมกันมันก็มีความสุขมองเห็นไหมถ้าสังคมมันเข้าใจบริบทคําว่างานอย่างนี้ปุ๊บ เข้าใจเลยเนี่ย ล, ลักษณะนี้ก็จะเป็นความสุขเลยฉะนั้นในขณะที่เรากระทำงานเนี่ยสิ่งที่เราได้มันได้ฝึกตนเองเลยเนะหนึ่งมีความขยันหมั่นเพียรมีเจตนาที่ดีมีฉันทะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนโอ้โหมันเป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในใจเลยนะใช่ไหมล่ะในขณะที่ทํา พอมองเอห็นนี่ยังฉะนั้นต่อไปมันก็จะได้เข้าใจเลยว่าอา้าวถ้าเป็นงานที่เป็นอาชีพคโคก็เป็นงานนี่เป็นเหตุในการสอนนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจชานฉลาดเนี่ยก็เป็นผลไปก็จเจริญงอกงามพัฒนาสติปัญญาความรู้ความสามารถพัฒนายก็เป็นคนดีในสังคมโอ้โหอะไรตามมาเยอะเลยตอเนี้ย ส่วนในค่าตอบแทนแทนก็ว่าหรือกรณีที่ว่าอาหารนี่แหละโอ้โหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นในสถานที่นั้นนั้นและในหมู่น้นนั้นโอ้พากันแข็งแรงใหญ่ดีไหมแบบนี้งานได้ผลไหมคนเป็นสุขไหมทีนี้งานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์งานได้ผลคนเป็นทุกข์เ็เห็นไหมงานไม่ได้ผลก็คือทำงานแบบ ใจิตใจเลื่อนลอยปล่อย ป, อยปะล่แล้วเลยไอ้คนก็เป็นทุกงานก็ไม่รับผิดชอบบางทั้งงานได้ผลนะทำงานด้วยความเครียดด้วยความกลุ่มเอาจริงเอาจังแล้วก็ทุกด้วยเครียดด้วยไม่ทําก็ไม่ได้ถูกกดถูกเครียดอะไรสรารพัดวนันละไอ้งานได้ผลเหมือนกันทํางานด้วยความวิตกกังวลทํางานด้วยความเครียดทํางานด้วยความกลัวด้วยความด้วยความเบื่อหน่ายไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําก็ไม่รู้จะไปทําอะไร เพราะเราจำไปจำเจจาเป็นต้องทําจําใจต้องทําอย่างเงี้ยแต่มันกทุกไหมทุกเครียดไหมเครียดไหมกลุ่มไหมอะไรเยอะหมดเลยแต่เนี้ยนี่แต่งานได้ผลไหมงานมันได้ผลแต่คนเป็นทุกอย่างนี้เรื่อไม่เข้าใจกฎความยิงธรรมชาติถ้ามันจะได้ให้จริงๆก็คืองานต้องได้ผลคนต้องเป็นก็คือทํางานมันต้องเชื่อมประสานกับความสุขได้ยิ่งทํางานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องได้ความสุขจากการที่เชื่อมประสานนั้น นั้นคนจำนวนมากเนี่ยถามว่ามองมองความสุขไปที่ไหนเรามองความสุขไปไปที่ตัวสิ่งเสรบริโภคใช่ไหมล่ะตาต้องได้ดูสิ่งสวยๆงามๆหูต้องได้ฟังเสียงเพาะๆจมูกต้องได้ดมกลิ่นหอมๆลิ้นก็ต้องได้รสอาหารที่อรเฉดอร่อย กายก็ต้องได้ ส, สัมผัสที่นุ่มนวลใจก็นึกฝันในอารมณ์ที่ดีๆเพลิดเพลินคนเราต้องการความสุขก็มักจะมองไปสิ่งวัตถุหรือสิ่งเสพดังกล่าวนี้จริงไหมจริงทีนี้ไอ้เครื่องพิสูจน์การพัฒนาของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะมีความสุขลองดูว่าถ้าเราอยู่โลกในโลกนี้เป็นนา น, านถ้าเราอาศัยความสุขจากสิ่งเสพ โดยอาศัยทางทาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราลองคิดดูที่ว่านักเข้านักเข้าเราจะเป็นคนผิดหวังหรื อ, รอสมหวังตอนเนี้ตามันเริ่มเสื่อมหูก็เสื่อมจมูกก็เสื่อมลิ้นก็เสื่อมกายก็เสื่อมสภาพจิตใจก็เสื่อมเอาเลยที่ผิดหวังเป็นส่วนใหญ่ชีวิตที่เกิดมานามากยิ่งผิดหวังมากเอาละสิตอนนี้ยแล้วเราไม่ได้ความสุขจากสิ่งเสพแล้ว พอเราเอาความรู้สึกของเราไปพึ่งกับสิ่งเเสพต้นนั้นใช่ไหมล่ะเพราะเรามีอุปกรณ์ที่จะเป็นเนี่ยความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้อยู่แบบความรู้สึกถ้าเราได้ความรู้สึกที่มันถูกตาถูกหูถู ก, ถกจมูกถูกปากถูกลิ้นเราเนี่ยเราจึงจะมีความสุขถ้ามองอย่างนี้แล้ว่เราก็กลายเป็นคนที่สุขเพราะได้เสพหรืออยู่กับสิ่งเสพ อย่างนี้อันตรายหรือไม่อันตรายชีวิตถ้ า, ถาไปสุขแบบพึ่งพาแบบเนี้อันตรายไหมไปไปมามาเขากลายเป็นคนสุขง่ายหรือสุขยากเพราะอะไรสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องมันก็เปลี่ยนตัวมันตลอดเวลามันไม่ได้คงทนถาวรใดๆเลย ใช่ไหเราก็ไม่สามารถจะไปคอนโทรลมันได้แต่เราก็ต้องการจะเสพต้องการอยากจะทำให้สิ่งนั้นน่ยมันอยู่นานๆแล้วมันให้สุขเรานานๆเ น, นียกความไม่เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่สุขง่ายเออเป็นคนที่สุขสุขทุกข์ง่ายแต่สุขเกิดยากมากอยู่ไปนานๆ น, นาๆเขาเลยไม่สุขเลยเนะี่ดูที่นั่งหน้าเครียดกันไปแถวปเป็นแถวมันไม่สุข ใช่ไหมล่ะชีวิตมันไม่สุขเลยไม่ว่ามองไปที่ไหนทุกหมดเลยตอนนี้หน้าเบื่อหมดแม้มองไปชีวิตของตัวเองยังยังเบื่อเลยโอโ้ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเราดูว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนานเข้านานเข้าเราเป็นคนที่สุขง่ายหรือเป็นคนที่ทุกง่าย แ ล, แล้วเราไม่มีความสุขอย่างอื่นที่จะจะมีไม่มีที่พึ่งเลยเราไม่ได้มีที่พึ่งนะแบบนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาตรนนี้เราก็ฝึกกันใหญ่พัฒนาศักยภาพความสามารถที่จะหาสิ่งเสพทุกวันนี้นะคนทุกวันนี้เขาพัฒนากันเยอะมากที่เขาจะผลิตขึ้นมาใช้ความสามารถผลิตวัตถุ สิ่งเสพมาเต็มไปหมดตอนนี้โอ้โหไม่ว่าตามที่ต่างๆอาหารก็มากมายที่อยู่ก็หลากหลายของกินของกินของใช้ของบริโภคอุปโภคเนี่ยอุย้ยเรามีความสามารถเราเราพยายามที่จะพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งสิ่งเสพบริโภคที่จะบรรุุความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้เมื่อวัตถุบริโภคเนี่ยมันเหลือเหลือเฟือมากเกินความจาเป็น เราก็ไปช่วยเหลือคนอื่นทั้งนี้ก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าที่ผ่านมายิ่งเราพัฒนาศักยภาพความสามารถในการที่จะหาสิ่งเสพมากเท่าไหร่ไปๆมาๆเราก็ยิ่งทุกข์ประเด็นคือมันยิ่งทุกข์อมันทุกข์ตรงไหน <laughs> ก็คือว่าเคธีมผลก็คือว่าถ้าเรามันก็เป็นระบบการแข่งขัน เป็นระบบการแย่งชิงเป็นระบบการเห็นการเอารัดเอาเปรียบใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็เห็นอยู่เนี่ยระบบสังคม้บริโภคนิยมเนี่ยและเรากร็กระตุ้นกันกระตุ้นว่าต้องมีมากกินมากใช้มากเพื่อจะทําให้เกิดการหมุนเวียนเหมือนกัน เ, เอาตัวเนี้ย GDP เนี่ยเป็นตัววัดกันละ ฉะนั้นในที่จริงๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราพลิกอีกมุมหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันจะเครียดมันจะทุกข์มันจะกลุ่มแต่ถ้าเราบอกว่าเอาละเราจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีสิ่งเสพมากเสจอสแสวงหาผลิตวัตถุสิ่งเสพมากแต่เมื่อได้สิ่งเสพมากปุ๊บเราบอกว่าเออเราจะได้เอาวัตถุสิ่งของทั้งหลายเหล่าเนี้ยเหลือเปือกเกินกว่าจะเป็นเนี่ยเราจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขด้วยถ้ายอย่างเนี้ย เราก็มีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็เผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นได้มากขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ได้มากด้วยถ้าในกรณีเนี้ยอย่างนี้ใช้ได้เราบอกเออที่มนุษย์ถ้าหากว่าที่เราผลิตสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ยเพื่ออะไรเอาละเรามีศักยภาพเรามีความรู้มีความสามารถเราจะผลิตแต่ไม่ได้ขับเน้นสิ่งเสพแต่เราจะผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีการช่วยเหลือเผื่อแผ่เจือจานให้กับเพื่อนมนุษย์ ที่ขาดแคลนหรือยังคิดมุมนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นนะว่าการทํางานหาเลี้ยงชีพนั้นน่ยมันเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของคนไหมทายพังซัดพรศ า, าสนาในพระเจ้าให้ความสําคัญมากในงานเลี้ยงชีพส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีความ ถ้าเราไม่สามารถจะมีความสุขกับการทำงานถ้าเราไม่สามารถเรียกว่าปฏิบัติทำกับการทำงานได้เนี่ยแปลว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราสูญเสียแล้วถ้าถามหน่อยว่าผู้บันเจี๊ยบนี่ทำงานวันละกี่ชั่วโม ง, ง<า>เห็นไหมเนี่ยเอาละสิแต่เนี่ย ทีนี้ถ้าหากว่าการทำงานนั้นไม่สามารถเชื่อมประสานกับความสุขได้เลยและชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นยังไงใช่ไหมหนึ่งในสามของชีวิตเลยใช่ไหมยีิบสี่ชั่วโมง ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามองอย่างนี้ว่าการทำงานเนี่ยถถ้าเราทำงานด้วยเจตนาที่ไม่ดีหรือแรงจูงใจแห่งการทำงานของเรานั้นเป็นตัญหาความทยานอยากเป็นแรงจูงใจเพื่อหวังผลหรือค่าตอบแทนไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจไม่มีฉันทะในการทำงานที่ถูกต้องไม่ได้มีใจรัก เนะี่ยไม่มีใจที่คิดจะฝึกไม่คิดว่างานนั้นเน่ยเป็นข้อฝึกเป็นบทฝึกที่จะพัฒนาทั้งพฤติกรรมศักยภาพคุณภาพของชีวิตของเราเนี่ยให้ประสานเข้าสู่ความสุขได้ถามว่าชีวิตมันมันหมดไปเลยนะในการทํางานเนี่ยทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าในการเลี้ยงชีพเนี่ย เขาบอกว่าอาชีพนั้นที่จะเป็นสัมมาได้สัมมาแปลว่าถูกต้องอาชีวะก็คืออาชีพอาชีพที่จะเป็นสัมมาด้วยเวลาถูกต้องดีงามด้วยอาชีพนั้นต้องไม่เบียดเ บ, บียนตนต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องไม่เบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมหลักการมันต้องอย่างนี้ถ้าอาชีพใดก็แล้วแต่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอาชีพนั้นเขาเรียกว่าเป็นอไม่เป็นสัมมาชีวะมิฉาแวลวผิด เพราะมัไม่เกื้อกูลกระแสชีวิตตนเองและบุคคลอื่นเลยใช่ไหมทีนี้อาชีพที่มันจะเป็นว่าไม่เบียดเบียนตนก็แปลว่าอะไรเนี่ยก็ทํางานสิ่งนั้นไปแล้วถ้าเราเครียดด้วยกลุ้มด้วยวิตกกังวลด้วยทุกข์ด้วยอันนี้การงานนั้นมันเบียดเบียนตนชัดๆถ้าเบียดเบียนคนอื่นยิ่งอาชีพหรือการงานนั้นน่ยไปเบียดเบียนกระแสชีวิตของบุคคลอื่นไปทำให้เขาให้สูญเสียเขาในคุณภาพชีวิตเขาเสียหายทําให้ทรัพย์ของเขาต้องวิบัติ ทาให้ครอบครัวเขาต้องแตกแยกโอ้ oh, มันยิ่งไปใหญ่เลยในเนี้ยมันก็เลยไปเบียดเบียนกระแสะชุดของผู้อื่นแล้วก็สภาพสังคมย่ำแย่ลงเรื่อยอยันนี้ยุ่งแล้วอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นสัมมาแล้วกลายเป็นมิจฉาแล้วอาชีพนั้นทีนี้อาชีพมันถูกต้องจริงใช่ไหมอาชีพมันดีจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นอาชีพหมออาชีพครูเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ดีนะหรืออาชีพทําสวนทําไร่ทํานาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้จะเป็นทหารเนี่ย มันแค่แค่ปรามและป้องกันแค่นั้นแหละหลักการมันไม่ได้ไปฆ่าเขาหลักการจริงๆอะ่ะงั้นป้องกันว่าให้เขารู้ว่านี่ยมีกองกําลังทหารมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ น, นะว่างั้นเถอะเป็นการป้องปรามไว้คุณอย่ามาลุกล้ําอันประเทศนี้นะหลักการคือแค่ตรงนี้เองว่างั้นเถอะแต่วัตถุประสงค์จริงๆไม่ใช่ให้มนุษย์ไปห้ามหันกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทํามนุษย์ไปห้ามหันกันขึ้นมาอะไรมันก็เป็นอาชีพที่ผิดอยู่ดี มันก็ไปเบียดเบียนกันใช่ไหมไปฆ่ากันไปเบียดเบียนกันไปรุกลายกันไปคดโกงกันมันก็เป็นอาชีพที่ผิดอยู่แล้วทีนี้เอาละทีนี้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทีนี้พอเบียดเบียนตนที่เราเห็นได้กันได้ชัดๆก็คือเมื่อเราประกอบอาชีพนั้นเรามีความเครียดความกลุ้มความทุกข์หรือมีเจตนาชั่วร้ายมีตัณหาแรงจูงใจเนี่ยแรงจูงใจแบบผิดๆ ต้องการสิ่งเสพไม่ได้มีใจรักในการทํางานไม่ได้มีสุดจิตในการทํางานไม่ได้มีความสุขจากการทํางานหรอกแต่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะมีความสุขจากสิ่งเสพคือค่าตอบแทนเท่านั้นโอ้โหแต่นี้มันต้องทํำด้วยความทุกข์นะกว่าจะได้เงินมาแต่ละเดือนกว่าจะได้เงินมาแต่ละวันเนี่ยมันต้องทําด้วยความเครียดความกลุ่มความทุกข์เพราะว่ามันต้องการสิ่งเสพมันต้องการค่าตอบแทน แต่ไม่ได้ทํางานเพราะว่าใจมันรักในงานแล้วเห็นงานมันเป็นข้อฝึกเป็นบทฝึกทีนี้ถ้าหากว่าเห็นงานเนี่ยเอาละ ว, ว่าเราทํางานสิ่งนี้โอ้โหเรามีแต่ได้ฝึกหนึ่งได้แหละทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพของเรามีความคล่องแคล่วและชํชนานิชํานาญในกิจการงานนั้นมากขึ้นทั้งด้านภายในสภาพจิตใจก็ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นได้ความก ล, วกล้าหาาฐานมากขึ้น ได้มีได้สติในการกํากับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟือนเลือนหลงมากขึ้นได้ความตั้งมั่นอย่างจิตมากขึ้นได้ใช้ปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะมากขึ้นโอ้โหมันกลายเป็นได้ความสุขเลยใช่ไหมเออตรงนี้งานมันได้ผลตรงนี้คนมันเป็นสุขเนี้ยงานมันก็จเจริญพัฒนาตัวของมันไ ป, ไปตามตามธรรมชาตินั้นธรรมชาติภายในของมนุษย์ทั้งพฤติกรรมก็ได้ฝึกให้ดําเนินไปในสิ่งที่ถูกต้องดีงานทั้งสภาพจิตใจก็มีความเข้มแข็งอดทน มีความตั้งมั่นแห่งจิตทั้งสภาพทัศน์ความเห็นก็ได้พัฒนาได้ทดสอบได้วิจัยได้แยกแยะโอ้ยได้ทั้งพฤติกรรมจิตใจทั้งปัญญามันเดินฝึกไปในตัวเลยมองเห็นนี่ยังอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันได้ทั้งงานได้ผลคนก็ได้ความสุขจากการที่ได้ฝึกทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญามองเห็นนี่ยังแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมเวลาเราทํางานจริงๆ <ś oui> เริ่มเริ่มมองเห็นนี่ยังยากไหมแบบเนี้ยอ้าวปัญหามันยากตรงไห น, าานไลนรืว่าเมื่อทีทีนี้ในหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยพทธเจ้าจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกแต่ถ้ามนุษย์ไม่ฝึกไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการฝึกผลพัฒนาจะไม่จะเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดแม้แม้สัตว์เดรัจฉานก็สู้ไม่ได้ลองที่เนี่ย ลองไม่ให้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้พัฒนาที่สู้แม้กระทั่งสุนัข ก, ก็ไม่ได้สุนัขมันเกิดมาแป๊บเดียวมันมันวิ่งหากินมันได้นะเป็ดไก่เนี่ยใช่ไหมเล่แฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นสัตว์เนี่ยประเสริฐได้ด้วยการฝึกเขาบอกว่าแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้หรือไม่ได้เอ้าอย่างมนุษย์ธรรมดาฝึกให้เป็นพทธเจ้าก็ได้ ฝึกให้เป็นพระอาหารหันตสาวกก็ได้ฝึกให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกถามว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อันนี้เป็นกําลังใจนะแต่ว่าต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่ฝึกได้นี่เป็นกําลังใจว่าโอ้ยเราฝึกได้เว้ย จากไม่มีศรัทธาฝึกให้มีศรัทธาจากไม่มีศีลฝึกให้มีศีลจากไม่มีสมาธิฝึกให้มีสมาธิจากไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญาได้แล้วมนุษย์เนี่ยฝึกได้ฝึกได้โอ้โหเป็นกําลังใจจากคนเกียจค้านฝึกเป็นคนขยันจากคนอ่อนแอฝึกเป็นคนเข้มแข็งจากคนง่อฝึกให้เป็นคนฉลาดจากคนที่ล้มเหลวฝึกเป็นคนประสบความสําเร็จมันฝึกได้อันนี้เป็นกําลังใจว่ามนุษย์ทุกคนฝึกได้ แต่คำว่าต้องฝึกนี่เป็นเป็นอะไรเป็นหน้าที่ฝึกได้เนี่ยเป็นกำลังใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยฝึกได้ทุกคนแต่ว่าต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่อะไรซับซ้อนตรงไห น, นอ๋อ อันนี้เป็นจำนว น, น, นเป็นจำนวนเป็นอีเดียมนั่นเป็นจำนวนเข้าใจไหมโยมมันเป็นจำนวนที่พูดสุนัข ก, ก็เข้าใจยากช้างก็เข้าใจยากเป็ดก็เข้าใจยากหมูก็เข้าใจยากถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยที่มันเข้าใจยากเพราะไม่มีปัญญาแต่มนุษย์เนี่ยถ้าพัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะเข้าใจยากไหม มันไม่ยากเลยที่มันยากตรงที่มันไม่ได้ปัญญาแต่เมื่อฝึกให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจยากมันจะเข้าใจง่ายทันทีเพราะปัญญาไปทำหน้าที่ในการที่จะเข้าไปรู้ไปเข้าไปรู้ว่าสภาพของโลภะเนี่ยที่อยู่ในใจของมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันร่านลนกระเสกกระสนต้องการเสพแบบนี้ถ้าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วมีปัทุส า, ายอารมณ์แบบนี้ถ้ามโมหะเกิดขึ้นมาแล้วมีสภาพเป็นความลังเลสงสัยแบบนี้แล้วฟุ้งซ่านแบบนี้ ถ้าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเกิดมีความเชื่อมั่นในศักยภาพคนตัเองเชื่อมั่นในบุคคลมีพระราชณันตรัยเป็นต้นอย่างนี้ถ้าความเพียนเกิดขึ้นมาแล้วมันแกล้วกล้าถ้าเพียนถูกมันกล้าทําชั่วถ้าเพียนถูกมันกล้าทําดีอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้ถ้าปัญญาก็ไปรู้ความจริงของกระแสชีวิตจากการเรียนรู้อย่างเนี้ยเราจะไม่พูดหรอกว่ามนุษย์มันเข้าใจยากแต่มันยากเพราะมันพัฒนาปัญญาไม่ได้ก็ต้องยากถูกต้องไม่ถูกถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ต้องพัฒนาอะไรขึ้นมา ปัญญาทีนี้พระพุทธเจ้าบอกปัญญติตราสเพธรรมาใช่ไหมทำทั้งหลายมีปัญญาสูงสุดมีปัญญาเป็นยอดนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาไอ้ปัญญาตัวเข้าไปรู้จริงเนี่ยไม่ใช่รู้จำนะไอ้รู้จริงๆเนี่ยนะ่นตัวตัวปัญญาตัวนี้แหละทีนี้ปัญญามันจะรู้ขึ้นมาได้ยังไงมาจากการฟังฟังแล้วก็ต้องมาให้เข้าใจ พอเข้าใจเบ็ดเสร็จปุ๊บก็ต้องต่อยอดจากการเอามาใคร่ครวญเอามาคิดเอามาวิจัยแยกแยะจนสามารถรู้ลลึกขึ้นกว้างขึ้นแค่นั้นพอไหมไม่พอต้องสามารถเอามาสอบสวนทั้งสุดตาทั้งจินตาเอามาเป็นฐานพัฒนาเข้าสู่ภาวนาเข้าประจักษ์แจ้งเห็นจริงตามนั้นจริงๆว่ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราเมื่อเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก็จะมีชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐคนที่จะประสบความความสำเร็จได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานนะมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม <c oughs> เขาถึงจะประสบความสําเร็จได้ <c oughs> ก็คือต้องฝึกตนเองอย่างไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาเรื่อยไป <c oughs> เขาก็จะเป็นคนที่เลิศได้อันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราต้องไม่หยุดในการที่จะฝึกไม่หยุดที่จะพัฒนาต้องไม่ท้อต้องไม่ง้อยเหงาใช่ไหมล่ะถ้าเราฝึกอยู่ล่างไปฝึกฝนพัฒนาอยู่ล่างไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาด้วยพระองค์เองมาตลอดเวลาแล้วพระองค์ก็กลายเป็นจากมนุษย์ธรรมดาก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เข้าใจอย่าง เนี่ยฮะจากมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละพระประเจ ก, กับพระเจ้าแต่ก่อนก็เป็นมนุษย์นี่แหละก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตลอดเวลาจากมนุษย์ธรรมดา ก, กลายเป็นพระประเจกพระเจ้าได้เราเป็นระดับผู้ฟังแล้วก็ฟังที่ศึกษาไข ค, ครวรเรียนรู้สิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วที่สุดจริงๆเราก็กลายเป็นสุตตพุท ธ, ธหรือสาวากสาพุท ธ, ธหรืออนุพุทธ อนุพุทธะก็รู้ตามสุตตพุทธะก็รู้จากการเพราะเพราะการฟังสาวกสาวพุทธะก็เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นผู้ฟังจนเกิดความรู้ความเข้าใจพัฒนาตนเองได้ก็กลายเป็นพุทธะได้เหมือนกันเอาซิจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุทธะหรือมีปัญญาที่รู้ความจริงได้มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากการฝึกใช่ไหมนั้นถ้าเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้จักมอง เราก็ได้ตลอดการได้ที่ประเสริฐก็คือการได้เรียนรู้แล้วก็ได้นำา อ, อกไปพัฒนาตนเองไม่ว่าจะ ง, งานที่กระทำหรือเป็นสมมติเอางี้ผู้พันเทียบงานงานที่ทำปุ๊บเนี่ยมองงานแบบไหนมองงานที่ทำแต่ละวันแต่ละวันมองอยังไง ตอบเวลาแล้วก็ผลต้องออกมาดีมองอย่างนั้นหรือนายเวลาทํางานมองอย่างไรคิดยังไงเลยที่เวลาทํางานเออจริงๆริงที่อ๋อเอาเนี่เวลาจะทํางานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างคิดยังไงมีความคิดยังไงกับงานที่กําลังทํา อันนี้อันนี้เป็นหลักการที่ท่องไว้เลยเนี่ยเนี่ย น, นี่หลักการที่ท่องเลยเอา้าวคิดยังไงเวลาทํางานอ่ะเอเออันนี้ก็เรียกว่าชอบมันมีสองอย่างไอ้คาว่าเรอดชอบเนี่ยชอบแบบฉันท้าก็ชอบแบบตันหาเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะที่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราทํางานทําคิดว่าเออเมื่อเราทํางานเนี่ย ทีนี้งานกับชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเรามองงานยังไงใช่ไหมก็ต้องมองก่อนว่าตอนนี้หนึ่งก็คือว่าชีวิตของมนุษย์เราดูก่อนนะตอนนี้ฐานความสุขของมนุษย์มีกี่ฐานก่อนอะไรคือฐานความสุขของมนุษย์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ไหม ป่าไม้ภูเขาต้นไม้ใบหญ้ า, อ, าอันเป็นธรรมชาติอันเป็นฐานท่านมนุษย์มีความสุขได้เมื่อมนุษย์ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมล่ะสองเพื่อนมนุษย์พ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายลูกสามีมภรรยาใช่ไหมฐานที่ทําให้มนุษย์มีความสุขสามก็คือกิจกรรมกิจกรรมหคือการงานงานของชีวิตนี่แหละมันมีสามฐานนี่แหละทีนี้มนุษย์ ถ้าฐานความสุขมันพังหมดแล้วอันนี้แปลว่าแย่อยังแย่แล้วบางคนเนี่ยเบื่อสังคมเบื่อสังคมเบื่อมนุษย์เบื่อคนเบื่อพ่อเบื่อแม่เบื่อลูกเบื่อเมียเบื่อภรรยาเบื่อสังคมสิ่งแวดล้อมสมัยโบราณเก็หนีไปอยู่ป่าเขาก็มีความสุขกับต้นไม้ธรรมชาติภูเขาเขายังไม่ได้มีฐานความสุขก็นะเออเนี่ยเขาก็ยังยังนับาดีอ่ะเขายังมีฐานความสุข ที่เป็นเป็นเป็นหลักในใจเขาเอาสิตัว เ, เนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยหนึ่งฐานความสุขของมนุษย์อันแรกพังไปแล้วตอนนี้เราไม่สามารถมีความสุขได้กับการอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดต้นไม้ภูเขาลาําธารหรือว่าน้ําตกมนุษย์ไม่สามารถไปมีความสุขได้มันทังกันหมดแล้วตอนนี้โดนทําลายกันหมดแล้วแล้วมนุษย์ก็ไม่มีใจเพียงพอที่จะ ม, มีความสุขแล้วมนุษย์ก็มาสร้างโลกของมนุษย์ แล้วก็ไปอยู่กับไอ้ น, นี่แหละวันๆก็มาจ้องทิมกันแ ป, ป๊บ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยู่เนี่ยเป็นสังคมก้มหน้ากันอยู่นี่แหละสองอยู่กับเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมล่ะเราไม่มีความสุขฐานแรกกันแล้วนะเอามาอยู่กับเพื่อนมนุษย์โอ้ขัดแยง้งอยู่ในครอบครัวก็ทะเลาะที่ทํางานก็ขัดแย้งกันไม่มีความสุขเลยเนี่ฐานความสุขฐานที่สองก็พังอีกมนุษย์หมดแล้วแต่เนี้ย เหลืออะไรบ้างอ่ะแต่เนี้ย เ, เหลือเอ้าฐานความสุขจากการทํางานที่แต่เนี้ยกิจกรรมของชีวิตในการปัดเช็ดถูทํากิจกรรมของชีวิตทํางานวันหนึ 18, ่งแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงกลับมายังต้องทํางานส่วนตัวอีกถามว่ามีความสุขไหมไม่มีหมดเลยพอหมดเสร็จปุ๊บนี่มนุษย์วิ่งหายอย่างเดียวหาสิ่งเสพหาสิ่งเสพแล้วแต่เนี้ยเพราะว่าหนึ่งสุขจากธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ สสุขจากเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ได้สสุขจากกิจกรรมของชีวิตในการทํากิจกรรมทั้งหลายก็ไม่มีหาสิ่งเสพอย่างเดียวเสพทางตาบางหูจมูกเล่นกายใจวิง่งหาสิ่งเเสพทีนี้สิ่งเเสพเนี่ยนาะเข้านาะเข้ามีสิ่งเสพมากมายแต่สภาพใจสภาพตาหูจมูกของตนเองมันมันไม่ใช่เสื่อมอย่างเดียวนะมันผิดหวังแค่จะหาเสพไม่ได้อย่างที่เสพ เมื่อได้สิ่งนั้นแล้วมันก็ไม่สุขมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มอยากมันก็วิ่งร่านลนกันไปเรื่อยมันก็ไม่ได้ได้ความสุขเห็นไหมคนบางคนน่ยมีทุกอย่างเป็นนักร้องดังเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายมันไม่รู้จะหาตัวเองยังไงเพราะฐานความสุขมันพังหมดไงฐานความสุขที่แท้จริงธรรมชาติก็ตัเองกลับเข้าไปหาธรรมชาติไม่ได้แล้วกับเพื่อนมนุษย์เองก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครสื่อกับใครผสานกับใครเชื่อมกับใครไม่เป็นแล้วหรือทํางานมันก็เซ็งสางกระตายแต่ก่อนเพราะมันเอาความสุกไปไว้กับ ไอ้สิ่งเสพก็ไม่ดีจริงไม่ให้ความสุขอย่างแท้จริงได้รถมาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีจริงได้บ้านมาก็ไม่ได้ดีจริงได้เครื่องเล่นอุปโภคบริโภคจริงไปเสพมันหนะักเขา้าหนะักเข้าเซ็งเลขาตัวตนของตัวเองไม่จริงหนะักเขา้าหนะักเข้าเหงาเครียดฆ่าตัวตายบ้างกินยาบ้างสารพัดไปหมดเลยในนี้เพราะอะไรเนี่ยมนุษย์หาฐานความสุขของตัวเองไม่เจอมองเห็นยัง เอาละเศษอ้นี้ตนนี้มนุษย์ต้องไม่ทำไม่ต้องทําต้องไม่ทําลายฐานความสุขตนเองนะต้องไม่ทําลายฐานความสุขนะหนึ่งเราจะมีความสุขกับธรรมชาติได้ยังไงเอาละเศษไอ้นี้การที่จะมีความสุขกับธรรมชาติก็คือได้กุศลจากการอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดมันได้กุศลได้ความสุขเนี่ยได้ความสุขใจได้เห็นได้บรรยากาศสดชื่นได้อากาศที่ดี ได้ร่างกายที่แข็งแรงเบ็ดเสร็จไม่พอแล้วก็ได้การพิจารณาได้ใช้สติปัญญาวิจัยแยกแยะจากการที่ได้ฐานของความสุขตรงนี้ขึ้นมามองเห็นไหมโอ้ธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นเอื้อธรรมชาติคือสายลมแสงแดดธรรมชาติคือต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติคือบ่อน้ําลําบึงทั้งหลายเลยเนี้ยมันเลยเป็นธรรมชาติกับการเอื้อทําให้จิตใจได้พักพอจิตใจสงบขึ้นมาก็สามารถที่จะคิด อ่าสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านี้ได้อีกเยอะมันมีความสุขขึ้นมาก็เลยพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นจากการอยู่กับธรรมชาติอ้าวแต่นี้ถ้าถ้ากลับมาอยู่กับฐานความสุขอันแรกได้อาฐานความสุขประการที่สอง อ, อยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเนี่ไม่มีความสุขพ่ออะไรอ่ะทําไมเราไม่ได้ความสุขพ่ออะไร เพราะเราให้ตัณหาเป็นแรงจูงใจในการที่เชื่อมประสานกับเพื่อนมนุษย์เมื่อมีตัณหาเนี่ยตัณหามีอาการยังไงอยากได้อยากเสพอยากให้คนที่เราเกี่ยวข้องมาตอบสนองความต้องการตนเองแล้วก็อยากให้เขาตอบสนองความต้องการความต้องการตรงนั้นก็ปราถนามันมั่นคงและถาวรถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ตนเองตั้งใจหรือปราถนาก็อยากจะทาลายอยากจะให้มาลายอยากจะให้พ้นไปใช่ไหม ถ้าอย่างนี้ถ้าตัณหาเป็นตัวเชื่อมมันจะเชื่อมได้ยังไงตัณหามันจะเชื่อมประสานเพื่อนมนุษย์ได้ยังไงคนมีคนเอาตัณหาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเอาทิฏฐิเป็นหลักในดําเนินชีวิตเอามานะความยกตนชูตนเป็นหลักในการดําเนินชีวิตไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับพ่อไปอยู่กับน้องไปอยู่กับลูกไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาจะอยู่ไงในนี้ตัวเองก็ไปกํากับเขา ใช่ไหมล่ะเพราะว่าตนเองก็ได้ที่ไปอยู่ก็ได้แค่ไปตอบสนองความอยากความต้องการของตนเองทีนี้พอถูกปฏิเสธถูกย้อนกลับขึ้นมาก็ทุกข์ก็เครียดจริงไหมล่ะแปลว่าอะไรเนี่ยทีนี้การที่เราจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขเราต้องอยู่ยังไงอ่ะใช่อะไรเป็นหลักในการดําเนินชีวิต เราต้องมีเจตนาดีหรือไม่ดีก่อน <Okay. S 1> เช่นเวลาไปอยู่กับแม่อยู่กับพ่อเราต้องมีเจตนาที่ดีใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าถ้ามีเจตนาที่ดีก็จะต้องเป็นคนที่ระโยคะถูกด้วย <Okay. S 1> เพียนถูกประกอบถูกด้วย <Okay. S 1> เช่นเราต้องดูก่อนว่าคนที่เราไปเกี่ยวข้องในะตอนนั้นนะ่ะ <Okay. S 1> เขาอยู่เขาปกติหรือไม่ปกติหรือเขากําลังประสบความเสียหายความทุกข์ความเดือดร้อน หรือเขากำลังได้ดีมีสุขเห็นไหมเวลาเราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมันก็จะต้องใช้ใ ห, หลักธรรมะเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่เราไปเชื่อมประสานกับเขาให้ถูกพวกพันเดียนไหม <c oughs> น, น, นี่บ่งบอกได้เลยประโยค่เราผิดแปลว่าเราเราอ่านสถานการณ์ไม่ไม่ขาด เพราะการที่เราไปปฏิบัติต่อคนเนี่ยเมื่อไปปฏิบัติต่อคนเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะเราต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ปกติธรรมดาไหมเช่นเช่นยังไงอ่ะเวลาเราจะเมตตาเขาเนี่ยเมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราจะมีความรากักความปรารถนาดีกับเขาต้องใช้ในสถานการณ์ไหน สถานการณ์ที่เขาปกติเนี่ยเขาไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเขาอยู่เป็นปกติของเขาเข้าใจอย่างนี่ต้องเมตตารัากปรารถนาดีเอือ้ออทรแล้วถ้าการุณาล่ะต้องใช้ในสถานการณ์ไหนผิดปกติก็คือชีวิตเขาแย่เขาประสบความทุกข์เดือดร้อนตอนนั้นก็ต้องให้กรุณาใเปโกตัวนําในการนาเดินชีวิตถ้าในยามที่เขาประสบได้ดีมีสุขสถานการณ์นั้นต้อง พอยินดีมุทิตาใช่ไหมทีนี้สถานการณ์ที่เราต้องการจะรักษาความถูกต้องดีงามต้องทํำยังไงรักษาธรรมะในยามที่เราจะรักษาธรรมะไว้รักษาความถูกต้องรักษากฎเกณฑ์กติกามันมีธรรมะระดับกติการ่วมกันกับธรรมะที่เป็นธรรมชาติตอนนั้นก็ต้องวางใจเป็นกลางเข้าใจใช่ไหมผู้บัรเข้าใจว่าเหตุผลบางทีเราบอกว่าเจตนาเราดีเนี่ยแต่มันขาดอะไร ปัญญาเราไม่รู้ไม่พอรู้ไม่ชัดรู้ไม่รอบรู้ไม่ลึกเราไม่รู้ว่าคนคนนี้ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรมันไม่รู้ปัญญามันไม่เกิดถ้าเป็นอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรถ้าเรายังไม่รู้เลยอ่ะ อ้ายกตัวอย่างนี้ก่อเช่นงานที่เอาเรื่องจริงมาเลเดี๋ยวพาจะลงรายละเอียดที่ดูว่ามันบกพร่อตรงไหนบอกบอกบอกเอียมันมันก็มีหลายอย่างเช่นการจะทำหนังสือเกี่ยวกับการหนังสือที่จะเป็นวิชาการฉบับหนึ่งอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้ก็ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็จะต้องมีคนเขียนหลายคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหลายผมก็จะต้องเป็นผู้ที่กํากับดูแลหรือว่าอํานวยงานให้มันเสร็จตามเป้า เ, เกิดสมมุติเขาไม่ทําตามกําหนดเวลาหรือว่าไม่ทําตามที่เราแนะนำเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียที่เราแนะนําเข้าไปเขาก็ไม่ทําตามเวลาหรือว่าไม่ทําตามคําแ น, นออะนําเขาก็อาจจะมีความเห็นเป็นของตนเอง เขาครับผมก็คิดเหมือนกันว่าความเห็นของผมไม่จะเปนจะต้องตรงกับเขาถาร็ความรับผิดชอบจต้องสืบมาตามลำดังานถ้าเกิดสาเร็จก็ก็ดีต่อเขาแต่ถ้าไม่สาเร็จคนรับผิดชอบคือทหารก็จะมีระดับครับผู้บัญชาระดับรับผิดชอบทั่วเปบางทีมันต้องปัญาคืออะไรก็คืองานไม่บรรลุประสิทธิภาพตามกรอบเวลา แล้วรู้ไหมว่ามันมาจากอะไรก็มีความไม่ร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันครับการฝืนการดื้อดึงการไม่เชื่อฟังเพราะทหารนี่เราต้องกำเนินกันถึงเรื่องของออลำดับชั้นยศครับมีมีขั้นมีตอนนะครับต้องฟังกันถ้าถ้าเราปฏิบัติงานเราไม่ฟังกันเอาความเห็นของตัวเองเอาอัตราเข้าไปเนี่ยก็ทำให้งานไม่สําเร็จมันก็ปกครองมันไม่ได้ แล้วที่เป็นปัญหาคืออะไรก็ความไม่เข้าใจในงานของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เราก็ไปกากับดูแลใกล้ชิดจนมีลักษณะบางทีคล้ายๆเหมือนกับไป ไปชี้เขาคือคืออย่างนี้เข้าใจประเด็นนะ้จริงจรนี่นะในหลักการในการทํางานร่วมกันคุณจะเป็นเจ้านายคุณจะเป็นลูกน้องคุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นหลักการมันก็มีอยู่แล้วระเบียบปฏิบัติแต่คนที่เป็นหัวหน้าใช่ไหมพู้นําเนี่ยผู้นําต้องมีปัญญาใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นหลักสําคัญแหละ ถ้าพูดนำไม่มีปัญญาเนี่ยอันนี้ที่เสียหายแล้วก็ต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะด้วยหลักตัวทั่วไปเนี่ยแม้คำสอนพระเจ้าเนี่ยต้องต้องต้องรู้ก่อนจึงค่อยขยันอันนี้ประการที่สองแล้วก็ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยไม่ควรเป็นพูดนำอันนี้ประการที่สองต้องเข้าใจก่อนนะหนึ่งก็คือว่าต้องรู้จึงค่อยขยันห้ามห้ามขยันก่อนรู้อันนี้นะถ้าพูดกันตรงๆก็คือ โง่แล้วขยันนี่พังนี่นี่นข้อแรกก่อนนะสองพู้นําทุกระดับเลยนะตั้งแต่ผู้นําครอบครัวเปจนถึงผู้นําสูงสุดของโลกอะคนโง่ไม่ควรเป็นอันนี้อันนี้หลักการก่อนนะพูดตามหลักการก่อนนะทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าในขณะทํางานในกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เป็นตัวผู้นำเนี่ยเป็นหัวจักที่สําคัญที่สุดจริงไม่จริงระดับผู้นําเนี่ยว่าเป็นตัวจักที่สําคัญที่สุด ถามว่าผู้นำที่ลูกน้องรักก็มีผู้นำที่ลูกน้องไม่รักก็มีจริงไหมอันนี้นี่หลักทั่วไปแล้วอะไรล่ะผู้นำประเภทไหนที่ลูกน้องรักผู้นำประเภทไหนที่ลูกน้องเกลียดเอออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันมีเหตุมีผลนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเขาจะเกลียดอยู่ๆเขาจะรักนะมันไม่ใช่มให้ให้สังเกตร้อยทั้งร้อย คนที่อยู่นะที่ไหนเนี่ยที่ผู้นําผู้ใต้บังคับประชาลักเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรรึไหมองค์ประกอบอะไรไม่ใช่มีองค์ประกอบที่ว่าเป็นตัวเชื่อมประสานหลักหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าก็เรียกสังขาวัตถุไอ้ตัวหลักสังขาวัตถุเนี่ยไอ้ตัวเชื่อมตัวประสาน ที่ทําให้รถโอเออร์รถมันวิ่งไปรถที่มันไม่พังล้อมันไม่กระจัดกระจายออกนั้นมันมีตัวสมัยโบราณไอ้เกวียนเนี่ยก็มีลิ่มสลักไอ้ลิ่มสลักล้อรถเนี่ยไม่ให้ไปอยู่คือไปไม่พังเนี่ยเพราะมีลิ่มสลักอยู่สังคมทุกระดับที่มันขับเคลื่อนกันด้วยหมู่คณะเนี่ยที่มันไปกันแบบสมัครสมานสามัคคีไปกันแบบว่ากรมกลืนประสานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันมีลิ่มมันมีตัวสลักอยู่ อะไรเป็นตัวริ่มเป็นตัวสลักอะไรหนึ่งให้ฐานนัคือการให้การสละการแบกบันเวลามันอยู่ในที่ไหนเนี่ยมันมีการให้ให้ด้วยเมตตาให้ด้วยใจรักปราถนาดีเอื้อทอนให้ด้วยกรุณนายามที่เขาประสบความทุกข์ค้นขวาช่วยเหลือให้ด้วยมุทิตาก็คือว่าพอยินดีกับเขาเมื่อเขาประสบความสาเร็จ เห็นหมม น, นี่เป็นตัวเชื่อมเป็นริ่มเป็นตัวสลักนี่พฤติกรรมทางกายนะทางวาจาก็คือพูดปิยวาจาเนี่ยพูดด้วยเมตตามีเมตตาในการที่พูดรักปรารถนาดีเอือ้อทอนพูดแล้วก็ในยามที่เขาปกติยามที่เขาประสบปัญหาชีวิตก็พูดแนะนําช่วยเหลือให้เขาออกจากปัญหาออกจากความทุกข์นั้นยามเขาประสบความสําเร็จในชีวิตก็พูดส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูล เนไหมเนี่ยหพฤติกรรมทางกาย2พฤติกรรมวาจาสก็คือเรื่องการทําประโยชน์ทําประโยชน์กับเขาด้วยเมตตาข้นขวายช่วยเหลือประโยชน์ยามปกติค้นขวายประโยชน์เขาด้วยกรุณายามเขาประสบความทุกข์ค้นขวายประโยชน์เขาด้วยมุทิตาพอยินดียามเขาประสบความสําเร็จิ่งที่สําคัญที่สุดมันมาลงข้อสุดท้ายเลยเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าสมาณะตาเนี่ยความเป็นผู้ที่มีตนเสมอเนี่ยเสมอในสุขเสมอในทุกเนี่ย ร่วมสุขร่วมทุกมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านใช่ไหมไม่เลือกที่รักผักที่ช่างเสมอต้นเสมอปลายเอาตนเองเข้าไปเสมอสมานไม่ใช่เสมอทั้งไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากันทางด้านวัตถุนะไม่ใช่ว่าคุณได้เงินเดือนห้าพันฉันได้ห้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่วัดกันต้องห้าพันเท่ากันไม่ใช่อเสมอในที่นี้ก็หมายความว่า ทำตนเองให้เสมอเมื่อเป็นลูกหัวหน้าก็วางตนเหมาะสมเป็นลูกน้องก็วางตนเหมาะสมแล้วก็เชื่อมประสานในการที่จะปฏิบัติต่อกันให้ถูกว่าวาละนี้ควรเมตตาวาละนี้ควรกรุณาวาละนี้ควรมุติตาวาละนี้ควรอย่างไรเป็นต้นถ้าเรามีตัวคุณธรรมเป็นตัวภาคปฏิบัติการที่สามารถผักดันที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนอย่างนี้แล้ว เป็นในหัวหน้าอย่างนี้ทีนี้เวลาประชุมวางแผนงานขึ้นมาเนี่ยทุกคนน่นนาสะหลอนเลเืนเลยเพราะอะไรองค์กรนี้ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สั่งกันแล้วมันนอกจากที่จะจะมีลำดับบงังคับบัญชาการแล้วมันยังมีใจรักเอ า, อางี้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นพระเจ้าประสิที่โกศนพระเจ้าประสิที่โกศน่มี มีคนใกล้ชิดอยู่สองคนทีนี้ก็อยากจะทดลองไอ้คนใกล้ชิดเราเนี่ยเราให้ทั้งเงินเดือนดูแลเบี้ยววัดให้น้ำให้ข้าวให้ที่อยู่อาศัยเออว่าจะรักเราขนาดไหนว่างั้นเถอะมีอยู่วันหนึ่งก็คือพระเจ้าปเสนที่โกศลพูดเองเลยนะพูดเองเลยว่า ไปเล่าให้พระเจ้าฟังทีนี้พอไปเล่ า, ลาให้พระธเจ้าฟังแล้วทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปนอนแล้วเอาเจ้าสองคนเนี่ยทหารใกล้ชิดเนี่ยนอนด้วยแต่ตอนเด่นก็แก้งพาาระเจ้าประสิทธิโกศลแก้งนอนหลับก่อนพอนอนหลับเสร็จปุ๊บก็สังเกตคอยสังเกตดูเอ๊ะทหารสองคนเนี่ยพอทหารสองคนเนี่ย พอรู้ว่าพระเจ้าวิดินบรรทมแล้วเนี่ยตนเองก็ก่อนจะนอนก็กำหนดว่าพระพุทธเจ้าประทับทางทิศไหนเนอะอ๋อพระพุทธเจ้าประทับทางทิศนี้ก็หันหน้าไปทางทิศนั้นแล้วก็กราบกราบพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมนะกราบเสร็จทุกขาเอาศีารษะไปทางพระพุทธเจ้าเอาเท้าไ้ทางพระเจ้าบดิน โอ้โห oh, พระเจ้าเป็นดินตกใจโอ้โ oh, ห oh. ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่รักเห็น mm hmm. ไ, ไหมเออไอเจ้าสองคนไม่กลัวเลยว่าเราจะลงอัจฉริยฆ่าก็ได้ในประเทศก็ได้ตัดเบี้ยววัดบางวันเคี่ยนเด็ก็ได้นี่ไม่เคยกลัวเลยว่างั้นเถอะแต่ทําไมพระพุทธเจ้าไม่มีอัจฉริยะอะไรเลยไม่มีอํานาจอะไรเลยทําไมไอเจ้าสองตัวเนี่ยอยู่เป็นฆ่าของเราเนี่ย ทำไมรักและเคารพในพระธรรมมาสมุติเจ้าถึงเพียงนี้เนานี่พระเจ้ามีอะไรดีพระเจ้ามีอะไรรู้ไหมพรหมวิหารและธรรมมีธรรมะอันประเสริฐมีธรรมะประจําใจอันประเสริฐมีหลักการในการธรรมะอันประเสริฐมาประชุมไว้ในหลักใจเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมที่ออกมาทางกายกรรมวัจีกรรมกายกรรมที่ออกมาจึงเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาวัจีกรรมที่ผลักมาเป็นเมตตากรุณามุทิตา หรือการทำประโยชน์ที่ออกมาเป็นการวนามิทิต า, ตาอีกแท้จริงด้ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะคนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยดูแล้วมันน่ารักนี่ขนาดขนาดว่าคนนอกนะไม่ต้องพูดถึงกลุ่มภิกษุสงฆ์ภิกษุเนี่ยจะอยู่ห่างไกลแสนไกลไปอยู่ในป่าในดงยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นคนที่มีความสะอาเคารพพระเจ้าจะยืนจะเดินจะนั่งนนอบน้อมต่อพระพเจ้า เออทำไมถึงขนาดนั้นล่ะแล้วพระเจ้าไม่เคยไปกําหนดว่าถ้าไม่เคารพเราจะฆ่าจะตัดศรีรษะตัดหัวนี้นี้จะได้เชี้ใหเห็นว่าธรรมะเนี่ยหลักหลักคุณธรรมอันประเสริฐตรงเนี้ยฉะนั้นถ้าปรารถนาอยากจะเป็นที่รักของบุคคลเนี่ยก็เอาธรรมะอันประเสริฐคือพรหมวิหารน ม, มาให้มาอยู่ในใจแล้วผลักออกมาเป็นสังขาวัตถุ สให้ใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเวกขาจริงๆนะแล้วก็ผากออกมาในการให้ด้วยเมตตาอย่างไรให้ด้วยกรุณาอย่างไรให้ด้วยโมทิตาอย่างไรเป็นต้นพูดด้วยเมตตากรุณามุทิตาทาําประโยชน์ด้วยเมตตากรุณาโมทิตาแล้วก็ตนเองเชื่อมประสานไปเชื่อมประสานทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาที่รู้และเข้าใจในการที่ไปจัดการในกรณีนั้ น, น, นๆในเรื่องนั้นๆในบุคคลนั้นๆ อันนี้มันคือชีวิต จ, จริงในการปฏิบัติธรรมในชีวิต จ, จริงๆที่สามารถที่จะผลักดันออกมาเป็นการกระทําได้และมันออกมาด้วยความจริงใจไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้มีใช้จิตวิทยาในการที่ไปพูดกับเขาเลยมันพูดด้วยใจรักทําได้ด้วยพฤติกรรมที่ออกมาเป็นเมตตากายกรรมจริงๆคําพูดที่ออกมาเป็นเมตตาวาจีกรรมจริงๆมันมีเมตตาอยู่เบื้องหลังผลักให้พูดออกมา มีเมตตาอยู่เบื้องหลังผลักให้ทําออกมามีเมตตาอยู่เบื้องหลังผลักให้คิดออกมามันก็จกลายเป็นสังขาวัตถุหนึ่งพราะมิหารเป็นธรรมะประจําใจสังคาวัตถุเป็นธรรมะภาคปฏิบัติการก็คือต้องเอาไปเชื่อมประสานเชื่อมประสานกับหมู่ชนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ตายาญาติมิตรหรือลูกน้องหรือหัวหน้าถ้าเราตรงนี้ไปเชื่อมประสานแล้วมันเป็นมันมีจังหวะถูกต้องไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมเราใช้ไม่ทํา อันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราบางครั้งเราจะใช้โทสะไปกดเขาใช้ทิฐิมานาไปกดเขาหรือเปล่าถ้าทำให้เขาใจรักก้นมาลองทิฏเตีอผู้ใตบ้บังคับบัญชาเขารักเขารักหัวหน้าเขาเนี่ยก็ตายแทนได้นะให้ไปตายก็ตายนะขนาดนั้นนะเดินไปอ ย, ย่าหยุดเป็นหน้าผาก็ต้องเดินไปใจมันรักยอมตายยอมพลีชีพเนี่ยเพราะอะไรเนี่ย เหมือนพระเจ้าตอนที่พระเทวทัตตอนนั้นพระเทวทัตเนี่ยคิดประทุษร้ายคิดประทุษร้ายก็คือให้นายขมังธนูที่ไปรอบปองวรชาชนพระเจ้ามีการวางแผน16ชั้นคือให้คนแรกเนี่ยไปนายขมังธนูคือชำนาญที่สุดแม่นยําที่สุดขนาดยิงระยะไกลกลางคืนเน่ย แม้เท่าตาเรนเนี่ยนะนิดเดียวก็ยิงตรงเป้าขนาดนั้นเลยเอาคนที่ฝึกผ่านการฝึกห้าร้อยคนเนี่ยนะเอาคนที่ชํานาญที่สุดฝีมือดีที่สุดไอ้คนเนี้ยไปคอยสังหารแล้วเอาอีกสองคนไปดักซุ่มไอ้คนนั้นมาแล้วให้ฆ่าอสองคนนี้เออฆ่าไอ้ ค, อคนห น, หนึ่งนั้นแล้วเอาสี่คนไปดักไอ้สองคนแล้วก็ให้ฆ่าไอ้สองคนนั้น แล้วเอาอีกแปดคนไปดักอีกสี่คนแล้วให้ฆ่าสี่คนนั้นทำอย่างนี้แล้วฆ่าทุกคนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ความผิดมาถึงตนวางแผนไว้สิบหกชั้นนี่นี่ขนาดนี้แต่พอไอ้เจ้านายขมังธนูพอไปเห็นพระพุทธเจ้าพลังของเมตตาพลังของเมตตา โอ้โหงัดพอเหนี่ยวไกลธนูค้างอย่างเงี้ยปลดไม่ลงมือสั่นอย่างเงี้ยสั่นอยู่อย่างงั้นแหละจนพระเจ้าปอบโยนเบ็ดเสร็จจิตใจอ่อนโยนพระเจ้าก็ได้บรรลุได้บรรลุเลยเป็นพระทหารบรรลุเป็นพาาระอิญาณเลยเนี่ยและกลุ่มที่จะมาฆ่าทั้งหลายบรรลุหมดแล้วใช้คนอื่นไม่ได้แล้ว พอ ใ, ใช้คนอื่นไม่ได้ก็ใช้ช้างนี่นแหละในราละอียดเยอะแล้วครั้งต่แล้วก็กิ้งก้อนหินตอนนั้นพระเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ที่เขาคิดจักูดไอ้เจ้นี้ขึ้นไปบนนู้นพระองค์มองขึ้นไปบอกว่าเทวทัตเธอทํากรรมหนักแล้วด้วยกําลังพระกําลังขนาดช้างห้าเชือกนะผลักก้อนหินตุ่มตุ่มตุมตุ่มมาก็แทก สะเก็ดหินขนาดใหญ่ฟูขึ้นมานี่พุทธิยานไม่ไม่ตายด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นแต่สักเก็ดหินโดนเนีห่อพระโลหิตโอ้ oh. เรื่องใหญ่เลยแต่เนี้ยห่อพระเทวทัตเห็นไม่ตา ก, ก็รีบหลบไปพอหลบไปเสร็จก็ไปไม่ให้ใครรู้ภิกษุสงพอ ร, รู้ว่าพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วภิกษุสงฆ์เป็นเลือนพันเลย มาอารักขาสวนสนามเหมือนทหารเลยเต็ไมไปหมดเลยอารักขาพระเจ้าแล้วก็หาพระเจ้าลงจากเขาที่จะกูดมาข้างล่างแล้วก็ให้หมอชีวกผ่าตัดแล้วก็พาเอาอห่อโพลิศเนี่ยแล้วก็รักษาพระเจ้าก็บอกพิสูจบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าย่อมไม่ปรินิพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่น ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายกลับที่เดิมกันให้ไปเจริญสมณธรรมเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมคนถึงรักพระพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ช้างช้างเนี่ยถูกเหล้ามอมเม า, เมาแม้จนจนเกิดอตกมันด้วยแล้วก็วิ่งมาพอพระพุทธเจ้าแพ แผ่เมตตาตัว น, นั้นละการแผ่เมตตาไปอื่นแล้วก็ตั้งสมาธิมองไปที่พยาช้างแล้วก็แผ่เมตตาออกจากใจพุ่งไปกระแทกใจของพยาช้างจากที่เมามันด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ของความตกมั น, นหายเกลี้ยงเลยช้างคุกเข่าสุดลงกับพื้นแล้วก็เอางากระแทกพื้นพระบรมศาสดาใช้พระหัตต์ลูปทิธีกระพองช้างบอกพญากรชรเ อ, อ๋ย เธออย่าได้ทําร้ายพระตถ า, าคตเลยถ้าเธอทําร้ายพระตถ า, าคตแล้วอบายทุกติวิบากเป็นไงนับตั้งแต่วินาทีนั้นปยาช้างนั้นก็ตั้งอยู่ในศีลห้าจนตลอดชีวิตนี่กรณีแบบเนี้อันนี้มาจากอะไรเนี่ยไม่ใช่มีฤทธิ์เดชอะไรฤทธิ์เหล่านี้พลังเหล่านี้สภาพเมตตาเหล่านี้ทําให้เกิดได้ทุกคนแต่เพียงว่าเราเนี่ยจะฝึก มนุษย์เรายากจะฝึกไหมให้พฤติกรรมที่เป็นไปกับความเรียบร้อยดีงามในขณะที่เราทํากิจกรรมการงานทั้งหลายเนี่ยเราเห็นไหมว่างานการทั้งหลายเป็นข้อฝึกเราจะทําให้ทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพเป็นข้อฝึกทําให้สภาพจิตใจเราได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพได้ทั้งความสุขฝึกปัญญาให้รู้ให้เข้าใจถ้ามันทําอย่างนี้จริงๆถามว่าแล้วก็มีจิตใจที่มันเอื้ออาทรอ ย, อย่างนี้จริงๆ ไปอยู่หน้าที่ไหนมันจะเป็นอะไรเป็นประดุดตังแก้วประกายแสงสว่างมันเป็นดุดแม่เหล็กเป็นพลังดูดทุกให้ทุกคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการเชื่อมประสานเขาเรียวกว่าเป็นเป็นตัวเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำเนะพุทธเจ้าใช้คาว่าน้ากับน้ำนมน้ำเนี่ย วเวลาอาน้ำนมเท ล, ลงไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนั้นตัวเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมหรือการที่ให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุทิตาพูดด้วยเมตตากรุณามุทิตาทําด้วยเมตตากรุณามุทิตาแล้วมีสมานะตาตาเชื่อมภาษานตัวนี้เป็นเหมือนน้ํานมกับน้ําแต่ถ้าใครไม่ปฏิบตัติหรือไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจและไม่ผากออกมาเป็นภาคปฏิบัติการ จะอยู่กันแบบน้ํากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละแต่มันอยู่คนละเหมือนใกล้กันอย่างนั้นแต่มันอยู่มันเข้ากันไม่ได้ฉะนั้นไอตัวที่มันเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งเดียวใจเดียวกันไม่ได้มันไม่เชื่อมมันไม่ได้เชื่อมแค่รูปธรรมแต่ไอตัวนามธรรมที่มันมีความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันปรารถนาดีเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็มีธรรมะเป็นหลักเป็นแกนกลางมีกฎเกณฑ์กติกาเป็นหลักเป็นแกนกลาง ถึงวาลาจริงๆเมื่อผิดหลักผิดกติกาผิดแกนกลางก็เอาธรรมะเอาหลักเอากฎเกณฑ์กติกาเป็นเป็นเป็นข้อตัดสินวินิฉัยไม่ได้ไม่ได้เห็นแค่พวกพ้องถ้าเราผิดเราก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในหมู่มนุษย์มันมีหลักอยู่มันมีกฎเกณฑ์กติกาอยู่ชั้นนอกชั้นสูงข้าไปก็คือธรรมะคุณธรรมใช่ไหมล่ะทีนี้หลักที่ ที่พิจารณากันดีแล้วเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันเราเราอยู่กันอย่างมีหลักแล้ว อ, อย่างมีกติกาเพราะเป็นสังคมมนุษย์ไม่ใช่สังคมสัตว์เดรัจฉานเพราะอยู่อย่างนี้เบสิคทุกคนรับรู้ร่วมกันทีนี้พอเอาหลักเอากฎเกณฑ์กติกามาเป็นหลักตั้งเอามาเป็นแบบจิตวิาตัวนี้ถามว่าเวลาทําผิดอายมแหม่มทําผิดท่านเอกเย็บทําผิดเขาบอกว่า พอมีกติกาจะลงโทษไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาลงโทษกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้เป็นผู้ลงโทษแล้วก็ที่ต้องลงโทษเพราะคุณไปทําผิดกฎเกณฑ์กติกาฉันไม่มีหน้าที่ลงโทษคุณแต่กฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้ต่างหากฉันเป็นคนก็อ่านสารอ่านกฎเกณฑ์กติกาคุณไม่ต้องทําตามฉันเนี่ยคุณทําตามกฎเกณฑ์กติกาถ้าฉันผิด ฉันก็ต้องโดนกฎเกณฑ์กติกาลงโทษไม่ใช่คุณหรือหมู่คณะหรือไม่ใช่ผู้เหนือผู้บังคับบัญชาสูงสุดลงโทษแต่กฎเกณฑ์กติกาเป็นผู้ลงโทษกรณีอย่างนี้มันไม่อคติไงไม่ได้ลำเอียงเพราะรักไม่ได้ลาเอียงเพราะโกรธไม่ได้ลำเอียงเพราะหลงไม่ได้ลาเอียงเพราะกลัวอันนี้มันมีกฎเกณฑ์กติกาเป็นเป็นเป็นเป็นข้อปฏิบัติร่รวมกันอันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีระเบียบ ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีวินยัยตัวนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาแล้วมนุษย์จะอยู่กันยังไงล่ะเพราะมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาแล้วไงก็เลยมีการที่จะตั้งกฎเกณฑ์กติการ่วมกันในการที่อยู่ร่วมกันเมื่อกฎเกณฑ์กติกายังใช้อยู่เนะี่ยยังมีกฎเกณฑ์กติกานี่ยังใช้อยู่อะไรอยู่ก็ใช้กฎเกณฑ์กติกานั้นปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นเออถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นแล้วแล้วถามว่า คนที่รักกฎเกณฑ์กติกาและฉลาดในการใช้กฎเกณฑ์กติกาและมีความซื่อตรงต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างนี้จะเป็นที่รักไหมโอ้โหอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักท่า น, นถ้าจะขอร้องให้ทํางานสักชิ้นไม่ใช่ขอร้องแต่สั่งการงานสักชิ้นหนึ่งชี้แจงหมดว่างานชิ้นนี้เพื่อประโยชน์อะไรอย่างไรและทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างไงเราจะทําประวัติศาสตร์ชีวิตของพวกเราเนี่ยในการทํางานชิ้นนี้ให้มันเกิดขึ้นอย่างไร ฉะนั้นต้องทําด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างไรโอ้ทีเนี้ยแค่ปลุกขวัญกาลังใจทุกคนโอ้โหอยากทํากันเต็มที่เลยเข้าใจยังนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือธรรมะนี่ก็คือการงานก็ได้ผลคนก็เว้นสุขไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทุกวันนี้มันแปลกแยกเพราะเราไม่มีตัวธรรมะเป็นตัวเชื่อมประสานมันอยู่กันอย่างน้ํากับน้ํามันไม่ได้อยู่น้ํากับน้ํานมถ้าน้ํากับน้ํานมมันก็เชื่อมกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ย ใช่ไหมเป็นน้ําน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันก็มีพลังมากเนี่ยเชื่อมประสานวันนี้มีพลังมากทีนี้หนึ่งไม่แปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสองไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์สามก็คือไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตในตรงนี้สําคัญทีนี้ไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตก็คือคําว่ามนุษย์เนี่ยคําว่างานคําว่าชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย การเดินการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันใช่กิจกรรมไหมเนี่ยก็คือกิจกรรมของชีวิตไปเขียนไปกวาดไปทำกิจกรรมก็คือกิจกรรมก็คืองานของชีวิตและชีวิตเนี่ยมันต้องมันต้องทตลอดใช่ไหม มันมีบ้างไหมที่ว่าเวลานี้พักเช่นโอยช่วงนี้ผมไม่มีงานทําแล้วครับก็เห็นกวาดบ้านแงีๆงเงก็เห็นล้างผ้าเห็นก็เห็นเออล้างหรือก็เห็นล้างล้างที่ล้างทางซักผ้าถูพื้นบอกไม่มีงานถับรถเนี้ยมันเป็นงานของชีวิตหมดเลยแต่เพียงว่าแปลกแยกคืออะไรไม่แปลกแยกคืออะไรคําว่าแปลกแยกก็คือ ในขณะที่กระทํากิจกรรมของชีวิตนั้นน่ะใจรักในการทํากิจกรรมชีวิตมันไม่มีความเพี้ยนแกล้าในการที่จะทําอย่างติดต่อและต่อเนื่องความอดทนในการกระทํานั้นมันไม่มีแล้วจิตจดจ่อในการกระทํานั้นมันก็ไม่มีปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะในการทํานั้นมันก็ไม่มีมันเลื่อนลอยเช่นทํางานไปเมื่อไหร่จะได้ค่าตอบแทนทํางานไปเมื่อไหร่จะมีคนยกย่อง ทำงานไปกับเซิงซังกะตายานี่ยเขาเรียกแปลกแยกจากงานของชีวิตมันแปลกแยกเขาจอย่างแล้วก็ฉันชอบอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้เท่านั้นแล้วอย่างอื่นก็มีทิฏฐิไปล็อกว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มันสําคัญกับชีวิตก็ไม่ยอมทําอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกแปลกแยกนันแปลกแยกแล้วงานบางอย่างมันไม่ใช่เอาชอบหรือไม่ชอบเช่นฮะ อาหารที่มันกินแล้วเนี่ยมันจะทําให้เบาหวานมันขึ้นเนี่ยแต่มันชอบอาหารแล้วกินแล้วมันลดเบาลดไขมันลดความดันลดเบาหวานเนี่ยมันไม่ชอบมาทําไงตัวเนี้ยเราบอกว่าเราจะทําแต่สิ่งที่ชอบอันนี้มันไม่ได้มองไปที่ประโยชน์แล้วแต่เนี้ยถ้าเราเห็นความจริงว่าหนึ่งกินแล้วเบาหวานขึ้นสองกินแล้วความดันขึ้นสามกินแล้วไขมันเพิ่ม นี่รู้ความจริงแล้วก็เอาประโยชน์จากความจริงสิปัญญาเกิดขึน้นเอาประโยชน์ว่าต้องกินแบบนี้แล้วก็สลับยังไงมันไม่ได้เอาชอบหรือไม่ชอบเป็นตัวตั้งแล้วเอาว่ารู้ความจริงก็เลยเอาประโยชน์จากความจริงนั้นได้เห็นไหมพอปัญญามาทําหน้าที่ในการดําเนินชีวิตจะมันคนละเรื่องกันแล้วเหมือนไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้เอาชอบหรือไม่ชอบแล้วมันเป็นว่ามันเป็นประโยชน์และมันเป็นสิ่งที่ควรทําโอ้มันทําด้วยใจรักเลยตัวเนี้ย มันไม่ได้เอาตันหาความชอบแล้วเฮ้ยทาตรงนี้ปุ๊บมันได้หน้าได้ตาเว้ยทาตรงนี้ปุ๊บเรามีคนยกจ้องสรรเสริญทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เอาตรงนั้นแล้วมันเอาว่าเป็นประโยชน์มันเป็นความจริงเราจะทําความจริงนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองบุคคลอื่นสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงโอนใจรักในการทําตรงนั้นขึ้นมาเห็นไหมว่าอย่างนี้เขาเรียกไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตทําแล้วมันได้ทั้งทักษะมันได้ทั้งเพิ่มความเชื่อมัน่นทําลายความไม่เชื่อมัน่น ได้ความเกล้ า, า, ากล้าอาถานก้าวไปจะิญทำลายความเกยียดค้ารได้สติในการระลึกในการที่ต้องจับในการที่จะต้องระลึกไม่ให้สิ่งต่างๆก็มารบกวนแล้วได้ความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ได้ทดสอบสอบสวนวิจัยเยอะแยะเอาละสิมันได้หมดเลยนะงานมันได้ผลทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพมันหาได้ที่ไหนแล้วตรงนี้ไอศักยภาพของมนุษย์เนี่ย มันดูกันตรงนี้ดูตรงศักยภาพศักยพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจานั้นด้านสภาพพฤติกรรมจิตใจและปัญญามันถูกฝึกพัฒนาทุกด้านเลยมันเป็นเวทีฝึกมนุษย์เลยการงานทั้งหลายเนี่ยโอ้มันอยากจะกระโจนอยากกระโดดเข้าไปฝึกที่เต็มที่เต็มศักยภาพเลยใช่ไหมลักษณะนี้เขาเรียกปฏิบัติธรรมจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างไงลองมองเห็นไหม ยากไหมแบบนี้ทีนี้มันจะเอาไปทํำยังไงที่ให้มันให้มันสามารถมีสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นหลักเป็นแกนหลักในการดําเนินชีวิตได้จริงใช่ไหมมันจะต้องมีตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวคอยรู้และเข้าใจพอมีปัญญารู้ชัดรู้รอบรู้ทั่วแล้วไอ้ตัวปัญญาก็กํากับว่า เออเราจะไปมีพฤติกรรมที่ไปเชื่อมโยงปฏิบัติต่อเขาอย่างไรนี่ปัญญาเป็นตัวกํากับพฤติกรรมแล้วถ้าปัญญากว้างขวางละเอียดเท่าไหร่พฤติกรรมก็กว้างขวางละเอียดตามตามปริมาณของปัญญานั้นๆแม้ว่าเอเราจะไปพูดกับคนนี้อย่างไรถ้าปัญญาไปไปกํากับพฤติกรรมทางวาจาแล้วมันก็จะไปพูดเป็นแล้วไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวแล้วมันจะไปสื่อสารเป็นไม่ใช่สื่อสารได้อย่างเดียวแล้ว ทีนี้เวลาไปเชื่อมด้วยพฤติกรรมทางกายทางวาจาในการไปเชื่อมภาษาทั้งหลายมีปัญญาเป็นตัวกําหนดมีปัญญาเป็นตัวกํากับถามว่าการเชื่อมประสานมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าปัญญาวิจัยแยกแยะแล้วรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันจะไปกระทํางานสิ่งนั้นถูกหรือผิดถูกทันทีเลยที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจะทําอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอ่ะ เออทำไมคนนี้ต้านคนนั้นยอมรับคนนั้นเอเข้าไปดินทาด่าว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันขาดตัวนี้ไหมขาดตัวสมาทิฐิพื้นฐานที่จะเป็นกำกับพฤติกรรมในการนําเสนอชิ้นงานต่างๆนี้หรือเปล่าถ้าขาดก็เพิ่มหาข้อมูลความรู้ให้ชัดในการที่จะทําชิ้นงานไม่ใช่มันเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่ใช่เลยโอ้โหทุกคนก็คุณทําจุดไหนคุณทําจุดไหนคุณทําจุดไหน ทุกคนทําด้วยความเข้าใจเพราะปัญญาเป็นตัวเป็นตัวสื่อสารอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะทําหนังสือเ น, น้นนาทเขียนบทความนึงภูพันเขียนบทความยมแหม่มเขียนบทความนัยเขียนบทความนึ่ง อ, อาจารย์ไม่สนแล้วใช้อํานาจดีกว่าไม่ใช่ใช้เ น, น้นนั้นาทนะใช้อํานาจสั่งการปื๊ดปื๊ดปด ป, ดปดไม่สน มันได้เหมือนกันนะการทำรเขียองงานเราก็มีสั่งเราอยู่เนี่เยอันนี้ไม่เชื่อมปภาษานแต่ถ้าปัญญาปัญญาปัญญากํากับปุ๊บเนี่ยเนนเอนเอฉันเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในเรื่องนี้คุณเขียนเรื่องนี้แล้วจะเป็นสิ่งที่ดีมากฉันทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวจะคอยตรวจสอบเออเรื่องนี้คุณผู้พันนะมีความสามารถในเรื่องนี้คุณทําในเรื่องนี้ และฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะวคุณทําได้นะแล้วทําเสร็จเอามาให้ตรวจสอบเอ้าเชื่อเชื่ออู้ โ, โหแต่ทนี้ทุกคนมันไม่สั่งการอย่างเดียวแล้วมันกินกายเป็นว่าเขาเรียกว่าสื่อสารเป็นแล้วแต่เนี้ยคําสั่งด้วยสื่อสารเป็นด้วยเอาเนีนเอางานมาส่งงานมันไม่ผ่านเนะี่ยแล้วจะพูดให้มันแบบน่าเกลียดก็ได้ค่วยแต่ก็ไปนะคุณทํามาได้ไงเนย้อนะนตุ้มเลยก็ได้แต่บอกว่าเนีนใช้ได้ เน้นแก้ไขหนึ่งสองสามสี่จะสุดยอดมากแต่มันคำเดียวกันนะเนี่ยหวยแตกก็เอาไปแก้ไขเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยสื่อสารเป็นไงสื่อสารเป็นพ้อมดูนี่นี่ใช้มือทำบ่นี่ใช้มือย <laughs> <laughs> ัอย่างเนี่ยเราเรียกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยปัญญา ปัญญาเป็นตัวกำกับพฤติกรรมปัญญาเป็นผู้กำกับคำพูดสีหน้าแววตาอ่อนโยนหรือว่าจริงจังอะไรก็แล้วแต่เหอะมันดูสถานการณ์แล้วมันประกอบถูกมันเพี้ยนถูกผลกุศลมันเลยให้ผลเพราะประกอบถูกเพี้ยนถูกรู้จักบุคคลใช่รู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลรู้จักบุคคล อ่านบุคคลขาดที่มันอ่านขาดเพราะอะไรปัญญาปัญญาที่สั่งสมมามันก็เลยวางหลักว่าเอ๊ะเน้นเนนถนัดเรื่องการเรื่องการเขียนใช่ไหมอเน้นไปทางยา่า <c oughs> ถนัดเรื่องการทางยา้าเอามาเขียนเครียดที่หายเลยสองคนเนี่ย น, นี่มันไม่รู้จากบุคคลไงเนี่ยไม่รู้จากนี่นี่ในกรณีแบบนี้ เนี่ยปัญญากำกับพฤติกรรมทีนี้ถ้าปัญญากำกับจิตใจล่ะกำกับยังไงถ้าปัญญากำกับจิตใจก็จิตที่มันเครียดจิตที่มันทุกข์จิตที่มันไม่เชื่อมั่นจิตมันหงอยเหงาเศร้าซึมเนี่ยไอสภาพจิตแบบเนี้มันต้องใช้ปัญญามาครีนมากำกับมาจัดการแยกแขกแย ก, แยกผลปุ๊บกระตุ้นให้ความเชื่อมั่นขึ้นมา หดหูท้อถอยให้เหตุปัจจัยให้เกิดความเกล้ากล้าอาถานฟั่นเฟือนเลือนหลงก็กํากับกระตุ้นให้สติขึ้นมากํากับตนเองไว้ฟุ้งซ่านก็ให้มีสมาธิมาทํากิจเนี่ปัญญามากํากับจิตใจทําให้จิตใจนั้นนะ่ะแล้วให้สติมาทํางานกํากับป้องกันไม่ให้ความเศร้าหมองไหลเข้าสู่จิตไม่ราคะโทสะมหาไ ห, หลเข้าสู่จิตนี่ใช้ปัญญามากํากับจิตใจด้วยแล้วก็ เมื่อปัญญากำกับจิตใจก็ต่อมาก็ใช้ปัญญาในการที่จะต่อยอดปัญญาเรื่อยๆปัญญาที่1เป็นปัญจาก่ยวกัปัญญาที่สปัญญาที่2เป็นปัญญาปัญญาที่3ามันเป็นปัจัยสืบเนื่องกันวิจัยแยกแยะไม่หยุดมันก็เลยมีฐานหมดเลยทั้งปัญญากำกับพฤติกรรมพฤติกรรมกำกับจิตใจกำกับปัญญาทีนี้พฤติกรรมก็มาเป็นฐานของของจิตใจจิตใจก็มาเป็นฐานของปัญญาปัญญาก็ย้อนไปเป็นฐานพฤติกรรมกลับกันไปกลับกันมาตลอดเลยแต่เนี้ย เป็นปัจจัยเอื้อต่อกันและกันส่งเสริมซึ่งการละกันโอ้อ โ, อโหมนุษย์พัฒนาไม่หยุดเลยตอนนี้โอ้โหพัฒนาไม่หยุดเลยกว้างขวางศักยภาพจากธรรมดาไม่ไม่ธรรมดาแล้วตอนเนี้จากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพแล้วจากมนุษย์เกียรติ้านกลายเป็นมนุษย์ขยันหมั่นเพียรขึ้นมาจากมนุษย์ไม่เชื่อมั่นกับกลายเป็นมน Lights ุษย์ที่เชื่อมั่นขึ้นมาจากมนุษย์ที่หดหู่ท้อถอยกลายเป็นแก้วกล้าอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ จากมนุษย์เลอะเลือนกลายเป็นมีสติกำกับกับตัวจากมนุษย์ฟุ้งซ่านกลายเป็นมีสมาธิตั้งมั่นจากมนุษย์อ่อนแอมนุษย์อ่อนแอกลายเป็นมนุษย์ที่อดทนจากทำอะไรไม่เป็นมันทำเป็นหมดเพราะปัญญาไปกำกับไปจัดแจงหรือปัญญากว้างขวางวิจิตบัญจงแค่ไหนพฤติกรรมก็โอ้โหกว้างขวางวิจิตบันจงไปตามพฤติตามปัญญานั้นๆ น, น, นะเขาแต่ก่อนไปพูดเขาเป็นไงไปถึงโหยสันไม่หมดหมบางคนใหม่ๆไปคุยกับเขาก็ไม่เป็นยิ่งไปเจอคนอย่างนี้ไม่รู้จะสื่อสารกับเขายัางไง โอ้ปัญญาก็มาศึกษามามาฝึกฝนมาพัฒน า, าเข้าไปาคุยเขาเป็นยังไงเหมือนคนเปตบเบ๊ะเจอในหลวงมาขอเดชะใต้ฝ่าองทุดีพระบาทปกอก้าวปอกม่อมข้าพทธเจ้าภูมิพลอดุลยเดชครับผ ม, มอยู่ตามไงตอนนี้ในหลวงเฮ้เรามีชื่อเหมือนกันเลย <c oughs> ตกใจ <c oughs> มีคน้องคนแล้วก็ไปรายงานในหลวง ขอเดชะใต้ฝ่าละ อ, องธุรีพระบาทปกครองปกมรองข้าพระพุทธเจ้าผูมิพ้ดุญเถิดครับผมในหลวงอ้าวเรามีชื่อเหมือนกันแต่แล้วก็จะบอกท่องมาทั้งคืนเน้นๆมันตื่นเต้นก็ยังหลุดเนี่ยปัญญาไม่กํากับถ้าปัญญากํากับมันจะไม่ตื่นเต้นมนุษย์เราเนี่ยจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะคนเราที่กลัวเอ้ยที่ประมาเอ้ยที่นั่นทั้งหลายเพราะปัญญา ถ้าปัญญามากำกับพอปัญญามันหดหายไปแล้วโอ้โหตื่นตะนกหมดเลยแต่พอปัญญามาเรารู้ความจริงเบีดเสร็จตะนงไหมไม่ตื่นตะนกเลยรู้เข้าใจว่าจะทําอะไรด้วยรู้เลยนะเห็นสถานการณ์ทั้งไหนจะทํายังไงเหมือนคนเป็นนักมวยขึ้นไปบนเวทีพอปัญญามันเกิดมันรู้สะอาดสถานการณ์ขาดเลยนะถ้าปัญญาไม่เกิดคิดไม่ออก<笑>ไอพี่เลี้ยงก็บอกไอเจนี้ก็จ้องแตไอทีวีเลี้ยงบอกแล้วมันมันคิดไม่ออกมันมึนไปหมดแตเสียงโ吼เสียงฮา ไปไม่เป็นแล้วใกลขึ้นเวทีใหญ่ๆไหมแล้วพอขึ้นขึ้นไปโหถายเลยไปไม่เป็นเลยแต่เนี้ยมองมองหึมงมนุษย์เต็ไมไปหมดเลยแต่เนี้ยสั่นเป็นผีเข้าเลยนี้พอจับไม้นี่อยู่อย่างนี้เลยแต่เนี้ยเพราะอะไรเนี่ยความเชื่อมั่นหดหายเพราะปัญญาไม่มากำกับพิจารณาแล้วยิ่งม่เห็นโอ้โหโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถที่ฝึกมาทั้งหมดโอ้มันคิดคนลยเรื่องเลยนะแต่นี่นะโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีมากฉนั้นวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ใช่เข้าไปประคองมือไม่อยู่ยปากก็จะพูดไต้มือก็ประคองไม่อยู่ใกล้เป็นไหมล่ะปัญญามันไม่ม า, ามเลย ก็ต้องบอกเอ้ขาเนี่ไม่รักดี <c oughs> เริ่มเข้าใจอย่างเดี๋นี้นี่ทีนี้การปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ทีนี้ว่ามันบางครั้งต้องยกตัวอย่างออกมาเนี่ยเพื่อให้ลงรายละเอียดให้เห็นแม้พูดอย่างนี้แล้วแต่เวลาไปปฏิบัติการจริงๆก็ไม่ง่ายสำหรับผู้ใหม่เพราะเราไม่เคย เราเคยแต่ให้ตันหาเป็นหลักดําเนินชีวิตให้ทิฏฐิคือความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นหลักดําเนินชีวิตให้มานะคือความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยเป็นหลักในการดําเนินชีวิตหรือโลภะโทสะโมห oh ะซึ่งเป็นชันชาติยานเวลาเราจะคุยกับลูกน้องคุยกับใครบางทีเราคุยกับลู ก, ค, ก, ลกคุยกับเจ้านายทีก็คุยด้วยโทสะกลัวไงกลัวแล้วพูดเนี่ยกลัวแล้วแสดงความเคารพเนี่ยนั่นคือโทสะหรือบางทีจะสั่งกับลูกน้องเรา เราเราต้องการกดเขาเนี่ยสั่งการเฮ้ยไปจัดการนู้นไปจัดการนี้ก็ใช้โทสะเหมือนกันโทสะอย่างหนึ่งก็คือโทสะมันหดหลบมาข้างในกลัวโทสะอย่างหนึ่งก็คือพุ่งออกไปข้างนอกเพื่อประทธร้ายคนอื่นประทธร้ายตัวเองกับประทธร้ายคนอื่นยังไงแล้วนี่เห็นไหมมันไม่เคยดําเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยสติด้วยด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นใดๆเท่าไหร่นะมนุษย์เราเนี่ย พอไปเบสร็จโป้ขึ้นมาเนี่ยวัดใส่ชุดขึ้นมาเดินเดินเข้าไปมันไม่เหมือนมันไม่ได้คิดว่ามนุษย์เดินเท่าไหร่นะเนี่ยเฮ้ยนี่มันนายพันเดินนะเว้ยนี่มันนายพลเดินนะเว้ยอันนี้ผู้บังคับบัญชาเดินเนีนี่มันพบบอทบอเดินนะเนี่ยมันมีความคิดอย่างนั้นมันสมมุติมันแรงมากไงมันก็เลยมีตันหามันนะที่ถีเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมโอ้โหพอเดินขึ้นมามันหืมมันมันยังมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว ก็ลองโดยที่เนี่ยเนนเนี่ยนะอยู่อย่งนี้ธรรมดาลองเอาไปเอาชุดยามไปใส่แล้วให้ไปอยู่หน้าประตูเดี๋ยโอ้โหมันวิ่งใหญ่เลยแต่เนี่ยมันนึกว่าเป็นยามไม่ น, นึกว่าเป็นคนนะมันมีชุดใส่ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันคับคับเลยในหมู่บ้านเนรไหมนะ ข, ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมตบ็ตะเบ็นึเอาว่าไปเนีย่ยเข้าหมูบบหม่บ้านบางหมู่บ้านขนาดนั้นเลย ตะโกนอยู่นั่นแหละขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมไอ้คนฟังก็ไม่เห็นเขาสนใจแต่ระเบียบ ม, มาอย่างนั้นก็โหทํากันใหญ่แต่เขาทําใจก็พูดไหมไม่แล้วขอหักตายตรงไหนจ่างหัวมึงเลยกูพูดอย่างนี้เลยใจยังคิดอย่างนี้มายุ่งเลยใช่ไหมจริงไหมล่ะเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าทําจริยธรรมในใจไม่เกิดจริง ที่เป็นผักแต่วเวลาเห็นที่นผักดันออกมานี่เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเหมือนขายของเวลาคนมาซื้อใช่ไหมยยิ้มแล้วก็สวัสดีจ้าข้าหน้ามาซื้อใหม่โอ้โห้าพยขอบคุณกัน ใ, ใช่ไหมล่ะบาที่อยู่กับสามีหันมากับสามีด่ากันด่ากันพอพอมีผลกมาขายปั๊บเอาอะไรจ้าเนี่มัน มันทันทีเลยนะเนี่ยดูสิเนี่ยเคยเห็นไหมล่ะด่ากันกลัดยันนั่นแหละพอมีคนผ่านไม่จะซื้อของเอาอะไรจ้ะพอขายเสร็จหวดกันต่อนี่มันไม่ได้มีคุณธรรมจริงๆเลยสภาพจิตใจจริงๆมองเห็นนี่ยังว่าจริงๆว่าเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถผลักออกมาให้ได้จริงๆแต่เราเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขได้แล้วเข้าใจความเป็นไปของชีวิตได้แต่ว่าต้องเอาไปฝึกแล้วเอาไปฟังบ่อยๆเลยนะไอ้แบบเนี้ย ว่าธรรมะในกรณีอย่งการที่จะไปปฏิบัติอย่างนี้จริงๆเนี่ย ม, มันเออใช่ไม่ค่อยเอามาพูดกันแล้วโดยมากเราจะถูกขับเน้นว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตากันอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่หลับหูหลับตาจะไม่ดีนะมันเป็นอีกระดับหนึ่งที่จะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิ น, น, นั่นเข้าใจอยู่แต่ถามว่าพอไปนั่งหลับตาแต่ในชีวิตจริงมึนไม่เข้าใจความเป็นไปของชีวิต ผิดหวังตลอดต้งเกตดูดิคนเข้าวัดส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบห้าร้อยละเก้าสิบครอบครัวแตกแยกผิดหวังพวกที่เข้ามาฟังทำมาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เลยนะเป็นพวกผิดหวังเพราะยังไม่ผิดหวังก็ไม่เข้ามาบางคนยับเยินหมดแล้วที่เข้ามาจนจะแก้ไม่ไหวแล้วพ้าเห็นแล้วก็โอ้โหกรลุ้งกระลิ่งมาเลยนะยอมเนี่ยกรุ้งกระลิ่งมาเลยอือมาแทบมาครึ่งคนในบางทีะมา ความเป็นคนหายไปทั้งเยอะแยะแล้วกว่าจะทําให้กลายเป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยโหแทบแย่เลยใช่ไหมล้ะเนี่ยขนาดนั้นเลยก็รุ่งกระลิ่งมาเลยว่านี่ขนาดนั้นเลยสภาพสังคมตอนนี้เพราะว่ามันมันหลุดออกไปมันเป็นการว่าการกิจกรรมของชีวิตกับธรรมะเนี่ยมันคนละเรื่องไปหมดเลยถามว่าสติเนี่ยมันจเจริญได้ตอนนั่งสมาธิเท่านั้นใช่ไหมหรือการขับ เคลื่อนขยับขยเื่อนทั้งพฤติกรรมทั้งสภาพจิตใจทั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตสติมันเจริญได้จริงไหมเจริญได้จริงไหมมันใช้สติกากับกับตัวได้ไหมในการทำกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดการระลึกได้ตามระลึกได้ใช้สติใช้สติได้จริงไหมในขณะเราทางานเนี่ยสติเกิดได้จริงไหม เอาสมมุติว่ามีคนมาพูดกับเราปุ๊บเนี่ยเราต้องการเราเราต้องการอยากจะฟังให้รู้เรื่องเราต้องต้องจับอารมณ์นั้นไว้ไหมไม่ปล่อยไหยคําพูดเขาเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรนั้นต้องดึงตรึงต้องจับเรื่องราวนั้นไว้ไม่ให้หลุดลอยไปจากความรู้สึกใช่ไหมเราถึงจะรู้เรื่องนี่ใช่สติไหมก็คือนี่แหละสติแต่นี้พอฟังแล้วเนี่ย พอสติมันหลุดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเลยสมมตินะเช่นมีคนมาเล่าอะไรฟังเนี่ยเออคุณครับถามทําไมเราก็ตั้งใจฟังเออเมื่อวานนี้ผมเดินไปที่ตลาดมีคนด่าคุณโอยแย่จริงๆว่างั้นเลเราเราสติเลยหลุดเลยตอนเนี้ยหลุดปุ๊บขึ้นมาโอ้โหทีขึ้นปึ๊บๆๆเลยถ้าบอกว่าเออคุณครับที่ไปที่ตลาดเนี่ยเขาด่าอ๋อเขาว่าไงโอ้เขาดา่าเสียเสียหายอ๋อดา่า อันเขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรแลร้วใครได้ยินผมนี่ได้ยินเต็มหูเลยงั้นคุณก็รับไปเถอะผมไม่รับด้วยเลยเรียบร้อยาบบนี้ยแล้วคุณรับไปแล้วคุณฟังเนี่ยผมไม่ได้ยินตรงนั้นบาปไม่ให้ผลขวนคุณเยไม่ได้ให้ผลผมนั้นคุณไม่ต่ออย่าต่ออ ย, อย่าเอาเรื่องไม่ดีมามาผมไม่อยากรับบาปประกำด้วยนั้นอถ้าอย่างเงี้ยถ้าฉลาดไหมจะไปเจอคนที่ฉลาดอย่างนี้เข้าใช่ไหม มีสติกำกับตัวเงี้เรื่องอะไรเวลาที น, นี่ถ้าเขาดา่าให้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าเขาติมีประโยชน์โอ้โหได้เรื่องเลยเหมือนกับเหมือนกับพระเจ้าเป็นดินเนะี่ยใช่ไหมที่ปู่ปลู่ของพระเจ้าพระเจ้าโศกอ่ะปูกของพระเจ้าโศกเนี่ยตอนนั้นอ่ะรบทับและแพ้ไปตีเมืองหลวงโอ้โหยับเยินเลยเหลือทหารแค่สิบกนายกับตรงนั้นตายหมดเลยใช่ไหม โอ้ยก็ะลงก็เลิงหลบหนีไปเข้าไปนี่ก็ไปผ่านบ้านยายคนหนึ่งกำลังยายทำขนมเบื้องให้หลานกินเนี่ยก็แอบไปหลบอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนหลดซ่อนตัวอยู่ทีนี้ยายก็ยกขนมเบื้องออกมาจากเตาให้หลานหลานก็ไปกัดกวบตรงกลางนลนเนี่โอ้ยมันร้อนเลยร้องจ้ากเลยหลานเนี่ยยายก็ด่า ไอ้มึงนี่โง่อยังกัพระยาเป็นดินเลยวะเงนิน <c ười> คืดเนี่ยตําหน่งนี่โง่แท้เขากินตรงกลางที่ไหนเขากินจากขอบขอบลิม ล, มลิมเข้าไป <c ười> ตรงไหนที่มันเย็นเย็นเขากินตรงนั้นก่อนคือเนี่ยพระยาเป็นดินตรงเนี้ยท่าไปตีเมืองเนี้ย <c ười> ไปตีตรงเมืองหลวงก่อนโอ้โวใจกลางเ้าทหารมีวิมือทั้งนั้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหยแทนที่จะป่าล้อมเมืองเข้าไปด่า <c ười> พระเจ้าไปดินฟังคนใกล้คิดบอกเอ้ยเขาด่าท่านไม่เป็นไรนี่ประโยชน์มากเลยเนี่ยก็เลยเข้าไปซ้อมสุงมกำลังใหม่ก็ใช้ทฤษฎีกินขนมเบื้องเนี่ยนะเข้านะเข้าก็ยึดชมพูทวีปคืนได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเสียงด่าเป็นประโยชน์พอมีสติรู้แล้วเขาจะยังเสียงด่าใช่ไหยเอาประโยชน์จากเสียงด่าใช่ไหมล่ะ บางคนโกรธตายเลยเนะีนั่งโกรธเลยไหมเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันตอนที่ส่งส่งราชบุรุษไปอยู่ในวัดเชตวันตอนนั้นลบแพ้พระเจ้าชาตูพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่ก็แพ้ไงแพ้พระเจ้าชาตูแพ้สองครัง้งสามครั้งเฮ้ยทำยังไงต้องไปฟังข่าวที่พระจะว่ายังไงบ้างก็ส่งสายลับก็ไปในวัดพระเดินจงกรมกันดึกดึกดืนดืดดน น, นึกครุ้มใจเมื่อพระองค์นั้นเคยเคยฉลาดใ น, นเรื่องการลบเนี่ยเฮ้ยถามพระท่านถามทำไม ท่านได้ยินข่าวว่าพระเจ้าประสเสนทิโกสลยกกองกำลังไปแพ้พระเจ้าชาตูสามครั้งเลยยับเยินหมดเลยได้ยินข่าวโอ้ได้ยินท่านรู้ไหมทำไมถึงแพ้โอ้พระจมกินนอนกินนอนอ้วนเป็นหมูเนื้ <c oughs> <c oughs> อเจริญปัญญาน้อยคิดการลบได้ยังฉลาดได้ยังไงพื่อนี่นะพระไปไปไ ป, ไปนินทาเขา้าระบบการลบกาตามยุทธศาสต ร, ร, ร์ตามพิชัยสงครามแล้วมันมี สมระบบก็ว่าตั้งกองกําลังแบบไหนแบบดอกบัวยังไงแบบโงจักแบบไหนแบบบอกวิธีการถ้าแบบเนี้ยมันต้อ ง, ต, องต้องกางกองกําลังแบบนี้ถ้าก็เล่าให้ฟังเนี่ยตรงนั้นเป็นหุบเขามันต้องวางกองกําลังไว้ข้างบนแล้วก็เข้าไปลบทะเบี้ยเอาชาตูแล้วก็ถอยล่นลงมาแล้วก็ให้กองกําลังปิดจบงานเนี้ว่างั้นจับได้ไม่เหลือโอ้โหพอฟังพอสปายเนี่ยราชบุรุษเนี่ย ฟังเสร็จแล้วก็กลับไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปเล่าเรื่องนี้ว่าพระทำหนีท่านเฮ้ยไม่เป็นไรพระว่างไงพระว่าอย่างนี้เอ้ยงั้นทําตามที่พระพูดเลยเรียบร้อยจับพระเจ้าชาตูได้เลยเห็นไหมจับพระเจ้าปิณินได้ด้วยงานนั้นโอ้โหจับเสร็จอีกพอจับเสร็จมาพระเจ้าชาตูฉลาดมากก็ใหญยังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ความฉลาดไม่พอที่จริงก็เป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานกันด้วยแต่โกรธกันมาก พอจับมาได้เป็นเสร็จปุ๊บมีวิทยการพูดฉันเยี่ยมมากว่าเจ้าชาติตัพูดไปพูดมาจนพระเจ้าปอร์เซนต์ที่ใจอ่อนยกหลานให้เป็นภรรยาและทรง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเล ย, ย <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเนี่นี่เลยกรณีแบบเนี้ยพูดชี้เห็นว่าเ อ, อปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยสําคัญที่สุด ว่าจะสามารถพัฒนาตัวปัญญาแต่ต้องอย่าลืมนะจุดหนึ่งก็คือว่าต้องไม่ให้ต้องไม่เอาปัญญาเป็นทาตรับใช้ของกิเลสโอ้โหทั้งนั้นยิ่งยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยเอาละนี่ก็ในรายละเอียดก็พอจะเจาะลงมาได้พอสมควรมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วเนะี่ยตรงนี้ก็คือหลักการในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่จะได้รับความสุขความสาเร็จ เป็นต้นได้ก็คือการปฏิบัติโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมของชีวิตให้เป็นไปตามวัฒธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนาะโอเคสมควรกับเวลาคอยประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่หวังสาธุ